อาจเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองอีกณนะบัตรนีอารายการนี้เป็นรายการที่อาตมาทำมาหลายปีแล้วและก็จะทําต่อไปอีกหลายปีเพราะว่าเป็นรายการที่ สามารถที่จะบรรยายถึงเรื่องของสงครามตั้งต่สงครามหยาบสงครามหยาบรบลาค่าฟันค่าแกงกันเลยแต่อาตมาไม่ได้ไปเคยไปร่วมรบค่าฟันกันมาด้วยหรอกนะแต่ก็จําจําที่เขามีเหตุการณ์แล้วก็เราก็รับรู้ด้วยก็เอามาพูดมาบอกมาอธิบายประกอบเพื่อชี้ ให้เปรียบเทียบให้เห็นจริงแล้วก็น้อมนำเข้ามาสู่สงครามในชีวิตซึ่งเป็นสงครามการต่อสู้แย่งชิงลาบยศสันเสริญโลกียสุขแล้วก็ลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงในตัวแต่ละบุคคลเองก็เป็นสงครามที่ต่อสู้กับตัวเองที่จะต้องต่อสู้กับสัตว์ตัวร้าย พระพุทธเจ้าถ่าเรียกว่าสัตว์สัตว์พวกนี้พระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้ห้าไว้เก้าเกตัวเรียกว่าสัตว์ตาวาดเก้ามันอยู่กับเราคนที่ไม่ได้ศึกษาจริงๆไม่รู้หรอกว่ามันเป็นสัตว์แต่มันเป็นสัตว์จริงๆเรียกภาษาทางวิชาการทางธรรมะท่านเรียกว่าสัตว์โอปปาติกะ สัตว์ทางจิตวิญญาณสัตว์พวกนี้เริ่มตั้งแต่อบายสัตว์เรียกว่าสัตว์นรกสัตว์ชั่วสัตว์ต่ําที่สุดอยู่ในร่างกายมนุษย์นี่แหละจิตวิญญาณมาเป็นสัตว์มันเป็นเดรัจฉานเป็นจริงๆนะไม่ใช่สมมุติแต่เราเรียกในภาษาศัพท์ว่าเป็นสมมุติสัจจะ เราใช้ศั์เรียกว่าเป็นเป็นสัตว์สมมติสัจจะแต่ความจริงมันเป็นสัตว์จริงๆในคนที่คนไม่รู้คนอวิชชาเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสัตว์จริงๆไม่ใช่เห็นมันเป็นสัตว์จริงๆในตัวบุคคลนั้นเพราะงั้นผู้ใดรู้ตัวศึกษาได้ว่าโอ้เรานี่ปล่อยให้สัตว์พวกนี้มันมาเกิดอยู่ในจิตเราแล้วเราก็กาจัดมันผู้ใดสามารถกําจัดความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณใ น, นเราออกจากจิตเราได้เราก็หลุดพ้น เป็นมนุษย์ประเสริฐเป็นจิตวิญญาณประเสริฐเรียกว่าอาริยะเป็นอาริยะบุคคลเป็นบุคคลหรือมนุษย์อาริยะนะเป็นอริยะกะมนุษย์ไม่ใช่มรริขะมนุษย์นะเป็นมนุษย์เจริญที่แท้จริงเจริญตั้งแต่จิตวิญญาณเลยเพราะว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอยา่างในนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงผู้ใ ด, ดสามารถกําจัด สัตวที่ออกไปจากจิตได้จึงเรียกว่าปรมัตทสัจจะเป็นสัจจะที่ยิ่งใหญ่ปรมาทฐะแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าสูงส่งแปลว่าเหนือชั้นกว่าเป็นความจริงที่เหนือกว่าสมมุติที่สัจจะนี่เป็นความรู้ของาศาสนาพุทธเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียนรู้ได้จริงพิสูจน์ได้จริงท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ว่าจริงขอให้เรียนอย่างสัมมาทิฏฐิแล้วปฏิบัติให้เป็นสัมมาปฏิบัติ ผลเกิดได้จริงเกิดได้จริงอาการิโกไม่จำกัดยุคสมัยยุคใดสมัยใดก็ได้พระเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่าราบใดยุคใดสมัยใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสมาธิจริงสมาิปฏิบัติจริงยุคนั้นกาละนั้นอาการิโกไม่ว่างจากพระอรหันต์มีพระอรหันต์ได้จริง ไม่ใช่คำพูดเล่นนท้าทายให้พิสูจน์เอฮิปัสิโกอาจตมามาประกาศท้าทายท้าทายมนุษย์โลกใครรับคำท้าอะตมาบ้างยกมือท้าใครไม่กลัวไปเป็นพระอรหันเออมีอยู่ไม่น้อยหลายคนงงท้าไปทำอะไรวะประกาศไปเป็นอรหันไปเป็นทำไมมันดียังไงมันเข้าท่ายังไงหลายคนงง หลายคนเข้าใจรีบยกมือเลยท้ารับคำท้าจะขอสู้เป็นพระอาหารหันด้วยคนหนึ่งเข้าสนามแข่งเข้าสนามรบเข้าสนามสู้ฝึกฝนปฏิบัติอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโมเมไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะอาตมาว่าตอนนี้ช่วงนี้ในสังคมประเทศไทยเป็นจุดหนึ่งเล็กๆในโลกใบนี้ อเทศไทยเป็นจุดหนึ่งเล็กๆโดยเฉพาะยิ่งอยู่ที่สวนลุมพินีขณะนี้ยิ่งเป็นจุดเล็กจุดเดียวเรากำลังทำอะไรกันสิ่งนี้อาจจะมาว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ตาดีจึงจะรู้มนุษย์ตาไม่ดีไม่รู้เรื่องหรอกก็เป็นเรื่องธรรมดา เราก็จะอาศัยเวทีนี้เพื่อที่จะขยายความประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆการประกาศธรรมะของพระพเจ้าไปนี้เราก็มีทั้งกายกรรมวจีกรรมโมกขกรรมประพฤติไปด้วยปฏิบัติไปด้วยและทำให้มันเป็นจริงเป็นจังเรียกว่าอาชีพเป็นอาชีพของเราด้วยให้เกิดชีพให้เกิดชีวะให้เกิดชีวิต ที่จะพัฒนาขึ้นไปตามจริงเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอาณาปานสติอาณาปานสติแปลว่ามีสติอยู่ตราบใดเมื่อยังไม่ตายมีสติอยู่เมื่อยังไม่ตายก็คือเรายังมีอาณาอาปาณนาะแปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก ตราบที่เรายังมีลมหายใจเข้าแล้วมันก็ออกออกแล้วมันก็เข้าเข้าแล้วมันก็ออกอยู่ตราบนั้นเรายังไม่ตายเมื่ออาณาปานะแล้วเราก็มีสติรู้อยู่ก็รู้ให้ทั่วพร้อมเป็นมหาสติปัฐานในอนาณานสตินี้ไม่ได้แยกกันเลยกับกับมหาสติปัฐา น, นในมหาสติปัฐานสูตรก็มี อานาปานาสติอยู่ด้วยในอาณาปานาสติสูตรก็มีมหาสติประธานอยู่ด้วยแต่คนเพียนไปก็เลยไปยึดเอาได้แต่อาณาปานาสติแล้วไปอยู่ในผวังไปอยู่ในพบข้างในแม้ถ้าจะย้ำว่าถึงพบข้างในก็ทิ้งข้างนอกไม่ได้นะในขณะที่เราจะสู่ผวังเข้าไปในผวังเราอาศัยจิต สงบอยู่ในภพนั่งหลับตามไม่รับรู้ข้างนอกหมดเลยเราก็ใช้ใจวิโชได้หรือพักผ่อนได้เรียกว่าสมาธิหรือฌานในภวังแล้วก็สามารถมีประโยชน์ได้ถึงสามอย่างใจใหญ่ที่จริงมีสีอย่างแต่อาจจะมาตัดอย่างที่สี่ทิ้งพระพุทธเจ้าท่านฮรายามิ อติยามิชิพุชามิหมายก็ว่าท่านบริาพาทเลยท่านสาบส่งท่านไม่เอาท่านไม่ชอบฤษีคันธารีฤษีมานิกาเขาสอนกันเป็นคนลัที่คนที่คนทางขยากศึกษานี่ยก็ไปสํานักโนนส่วนสํานักนีนั้นพระพุทธเจ้าตีทิ้งนี่เป็นพลังงานทางจิตอย่างหนึ่งในว่าใช้พลังงานทางจิตไปทางด้านเดราชานวิชา เหาะเฮินเดินน้ำดำดินได้รู้ใจคนได้อะไรนี่เรียกว่าปาฏิหาริย์ทางอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหารพระพุทธเจ้าท่านไม่สันเสริญไม่ส่งเสริมท่านเกลียดชังท่านเบื่อระอาท่านรังเกียจตีทิ้งท่านมีแต่อนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารตามคําสอน เช่นสามารถที่จะปฏิบัติตามพระเจ้าสอนได้เช่นท่านสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าผิดผัวเขาเมียใครเบื้องต้นนะถ้าเบื้องสูงขึ้นไปก็ปฏิบัติพรหมจรรย์เยมื่ศีกษาสามเบื้องต้นแล้วก็ตามไปปฏิบัติไปตามลําดับตามฐานนะพอปฏิบัติได้มันก็พิสูจน์ได้ตามคําสอนพระอนุสาสนีแปลว่าคําสอน การปฏิบัติทำได้ตามคำสอนของพระเจ้าโดยเฉพาะได้ถึงขั้นจิตกายก็ปฏิบัติได้ไม่ฆ่าสัตว์ทางกายไม่พูดการฆ่าไม่พูดไปฆ่าคนฆ่าน้องฆ่านี่ฆ่าสัตว์ยาววตดสัตว์ใหญ่ยาววัดต่คนเลยแม้แต่สัตว์เล็กสัน้อยก็ไม่พึงพูดฆ่าใจก็ไม่ไม่มีความคิดที่จะไปฆ่าใครจริงๆหยุดเด็ดขาดเลยว่าไม่มีจิตที่จะไปฆ่าใคร เมื่อปฏิบัติได้ถึงใจนั่นแหละสมบูรณ์ด้วยปฏิบัติตามธรรมอเจ้าเป็นอนุสาสนีคนทําได้อย่างนี้เลยหรือว่าปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เาะเหินเดินน้ําดําดินยิ่งใหญ่ก็ไปที่ใดรู้จักใจคนนั้นใจคนนี้ของหายอยู่ที่ไหนผัวหายเมียหายอยู่ที่ไหนก็นั่งทางในเห็นรู้ได้พระพุทธเจ้าว่านั่นไม่เก่งหรอกเรื่องอย่างนั้นน่ะเรื่องโล ก, โลก มันก็เก่งทั้งโลกโลกแต่มันไม่ได้วิเศษวิเศษสูไม่ได้ประเสริฐแต่ของพระเจ้านี่ประเสริฐนะเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารยุคนี้เป็นยุคที่คําสอนพระเจ้ายากยากแล้วก็เพี้ยนไปเยอะเพี้ยนไปจนกระเกือบจะไม่เหลือเชือ่อขอไปที่อาตมาพูดความจริงเกือไม่เหลือเชื่อแล้วใน ในสำนักหรือว่าในกระแสหลักในส่วนใหญ่ในส่วนใหญ่ไม่ไม่เหลืออาตมา น, นำมานี่เป็นส่วนเกือบจะไม่เหลือแล้วแต่อาตมา น, นำมานี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำอวดเก่งไม่ไม่มีไม่ไม่ได้เรียนรู้จากสำนักไหนและเอามาเอามาจากไหน อันนี้คือความรู้ของคนเข้าใจไม่ได้อัตมาก็เคยเปิดเผยเคยอธิบายสู่ฟังว่าอัตมาเอามาจากไหนอัตมาก็บอกว่าอัตมาเอามาจากที่ได้ศึกษามาแต่ละชาติแต่ละชาติคนที่เขาไม่เชื่อชาติก่อนชาติโนนชาตินี้ชาติหน้าเขาฟังแล้วเขาก็หัวรอเขาก็ย้ำยันเขาก็บอกว่าเพ้อเจ้อฟุ้งซ่าน มันมมนมีข้อพิสูจน์จริงข้อพิสูจน์ที่จะยืนหยัดยืนยันได้มันมันยากมันไม่มีที่จะให้พิสูจน์ได้แต่มันพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าไอ้ความเป็นจริงที่เราเอามาให้ศึกษากันแล้วให้ประพฤติปฏิบัติพิสูจน์นี่ทำได้ไหมเช่นลดกิเลสโลภ์ลดกิเลสโกรธลดกิเลสหลงตามลำดับ มันทําได้ไมามมีวิธีปฏิบัติก็บอกวิธีปฏิบัติกันทั้งสมถวิธีทั้งวิปัสนาวิธีเพาบอกกันแล้ว่าโอ้ทำอย่างนี้เออเมื่อทาถูกต้องมันได้มันจะเกิดบุคคลจริงขึ้นมาเมื่อเกิดบุคคลจริงก็เป็นประพฤติจริงความปรากฏจริงเป็นภาวะหรือเป็นภาพจริงก็เกิดพฤติภาพขึ้นมาจริง อยู่ในสังคมหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนหคน้าคนสิบคนร้อยคนพันค น, ค น, คนก็เกิดเป็นพฤติภาพองค์รวมเช่นชาวอโศกเราเนี่ยขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างอันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะเอามาโฆษณ า, ามาโครคุยอวดคุยโอคุยให้หลงให้รู้สึกว่าเอาเอามาอดอ้าง เขายืนยันว่าไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเจตนาและไม่มีจิตอย่างนั้นแต่เจตนาเอามายืนยันความเป็นจริงถ้าใครไม่เชื่อก็เข้ามาทดสอบตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบความเป็นจริงนี้ได้ว่าจริงหรือเท็จหลอกหรือไม่หลอกเข้ามาได้นะยินดีไม่ใช่ว่าท้าทายเชิญชวนให้เข้ามาตรวจสอบได้มาพิสูจน์กวามจริงกันได้ในที่นี้ เพราะงั้นเมื่อเราสามารถทำได้เราจึงสามารถที่จะปฏิบัติในการสร้างสรรแล้วเสียสละสร้างสรรแล้วสละออกได้คนเราเมื่อมีจิตที่ไม่ยึดถือเป็นเราลดความโลภความเห็นแก่ได้ลดเความเห็นแก่ตัวไม่ต้องมีมากลดลงลดลงสะสมน้อยลงเอาเปรียบน้อยลงสร้างสรรมากขึ้นแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลมากขึ้นมีน้าใจ เห็นคนทุกข์คนยากคนลําบากก็ช่วยเหลือขึ้นมาเรื่อยๆศาสนาตามพวกนี้เป็นเรื่องจริงที่ผู้เสแสง้งถ้าเสแส้งโดยเจตนาว่าเราจะทําอย่างนั้นโดยจิตทาให้ดีเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปแลกลาบยศสรรเสริญโงกีสุขอะไรเสแสร้งไปเถอะเสแส้งเพื่อที่จะระงับในตนไม่ให้มันแสดงออกแล้วเราก็พยายามศึกษาเป็นวิปัสสนาญาณ พิปสัสนาญาณหมายคว่าญาณที่ยังรู้ถึงความเป็นจริงเข้าไปสู่ปัญญาาณที่จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าโอ้มันถูกต้องมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนหรอกไอ้เรื่องตัวกิเลสก็เลยพรกนี้นะมันเป็นมันเป็นผู้มาอาศัยผู้มาเยือนท่านเรียกเป็นภาษาสับปการตกกอาคขันตุกะอักขันตุกะผู้มาเยือนผู้มาแฝงอยู่ตอนนั้นเพราะนั้นสามารถทาให้มันออกไปจาก ตัวเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราสามารถทําได้จริงๆพิสูจน์ได้ผู้ทําสําเร็จผู้นั้นจะรู้เองเป็นเอ ง, เ ป, เ, องเป็นปัจจตังเปทิตโภคินยูหีเมื่อทําได้แล้วผลก็จะเกิดเสร็จแล้วผลเกิดมันก็มาสู่ผู้อื่นต่อเราทําได้ของเราเราก็ได้อาศัยพึ่งตนรอดได้ว่าอัตติอัตโนนาโธ พึ่งได้อาศัยอาศัยความขยันอาศัยความเพียรอาศัยความสร้างสรรอาศัยสิ่งที่เป็นสุจริตธธ ร, รมแล้วเราก็ลดความโลภมากลดความเสพลดความติดลดความสะสมมันก็มีแรงงานสร้างสรรที่มาอาศัยใช้กินแก่ตัวเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงสิ่งที่เป็นกิเลสเฝอเฝอพวกนั้นลดลงมันก็เปลืองน้อยลงเปลืองน้อยลงประหยัดเข้าประหยัดเข้า แต่พลังงานสมรรถนะมันไม่ลดพลังงานความขยันมันไม่ลดเพราะฉะนั้นทรัพย์ของคนคือหนึ่งสมรรถภาพสองความขยันนี่คือทรัพย์อันกินไม่หมดใช้ไม่หมดทรัพย์ของมนุษย์ที่กินไม่หมดใช้ไม่หมดความรู้ความสามารถและวาสมรรถนะกับความขยันมีแล้วเราก็จะใช้ความรู้ความสามารถและขยันสร้างสร้างสร้างยิ่งเราละเราลด เราไม่ใช่ไม่กินไม่อาศัยมันมันฟุ้งเฟอ้อมันส่วนเกินแต่ก่อนเราหลงติดเดี๋ยวนี้เราล้างได้แล้วมันก็ยิ่งเหลือเหลือเราก็เผื่อแผ่คนอื่นเกื้อกูลคนอื่นไปได้ยิ่งเราเกิดสังคมกลุ่มพึ่งพากันคนนี้สร้างคนนี้สร้างคนนี้สร้างคนนี้เหลือคนนี้เหลือคนนี้เหลือก็ここเอามาเฉลีย่ยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทุกคนพอกินมีส่วนเหลือส่วนเกินเอามารวมกัน แล้วเราก็เผื่อแผ่แจกจ่ายเชื่อจานคนอื่นได้โดยไม่จะเป็นต้องไปเอาของคนอื่นมาไม่เป็นรีนาทาเร้นคนอื่นชักเนื้อชักเลือดชักวิญญาณของเรานี่แหละแจกคนอื่นนี่เป็นสัจจะสิ่งเหล่านี้อัตมาก็เลยมาคุยกันกับพวกเราว่าโอกาสนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วเราจะ เราจะทําสิ่งนี้ไม่ได้ทําอวดอ้าแต่ทําเพื่อพิสูจน์ตัวเราเองหนึ่งสองทำเพื่อเป็นประโยชน์พิสูจน์สัจธรรมพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งสาเป็นประโยชน์เพื่อจะพิสูจน์ความจริงว่าอันนี้เป็นความจริงของสังคมมนุษย์ที่ทําได้จริงไม่มีอะไรแฝงเร้นไม่มีอะไรเป็นของซ่อนแฝงไม่มี คิดเล่นอายั ญ, ญต้าละไม่มีไม่มีไม่มีอะไรซ่อนบังซ่อนแฝงไว้ในที่ดึกลึ ก, ล, ก ล, ล, ลับ ส, สับซ้ำซิงรองอะไรไม่มีไม่มีเป็นของบริสุทธิ์แท้ส ด, สดในยุคที่มันกำลังเดือดร้อนกันต้องการความเกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อแพ่เจือจานคนที่โลภตะกละักตะกลาม เขารับชั่นกันหนักเข้าไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักพอหยาบกล้านเขาก็ทำตามกิเลสของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำชั่วเราก็พยายามบอกอย่าทำเลยมันไม่ดีเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังก็ไม่เป็นไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังก็เรื่องบาปใครบุญมันแต่เราจะทำสิ่งที่ดีเราก็เลยมาคิดกันว่าเราได้จัดตลาดอริยะกันวันที่สิบสองสิงหาคมผ่านมา ก็เห็นถึงความความได้แก้ขัดเราเราถือว่าเป็นเรื่องแก้ขัดของบุคคลที่กำลังเกิดภาวะทุกข์ถมมันเป็นภาวะทุกข์ที่ถมทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่เราก็เลยคิดว่าเอาหน้าเราตั้งใจสู้ดูก็เลยมาคิดกันว่าเราจะจัดตลาดอริยะเดือนละสองครั้งดีไหม เราจะจัดเดือนละสองครั้งเอาวันอาทิตย์อาทิตย์ต้นเดือนกับอาทิตย์กลางเดือนอาทิตย์สองครั้งอาทิตย์ต้นเดือนกับอาทิตย์กลางเดือนสองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งก็พยายามคุยกันดูว่ามันจะพอมีไหมขออภัยนะที่ต้องบอกว่า เราไม่รับเงินบริจาคจากคนนอกนะนี่ไม่ใช่ว่าเรารังเกียจแต่ว่าเราขอพิสูจน์ตัวเราว่าเราจะทำได้ไหมนะเราขออภัยเราไม่รับบริจาคเงินของคนข้างนอกมาทำตลาดอาริยะนี้เราจะใช้เงินของเราขอขอทำความเข้าใจอย่างนี้ตลาดอาริยะนั้นเป็นงบ เป็นก้อนหนึ่งที่จะทําเรื่องของตลาดอริยะโดยเฉพาะส่วนงานชุมนุมนี้อีกอันหนึ่งนะเพราะงั้นรับบริจาคสําหรับงานมีนั่นเป็นส่วนกลางส่วนกว้างอันนี้ทําอยู่มีกองอำนวยการเข้ารายงานบริจาคและก็ใช้จ่ายกันอยู่เข้ารายงานอันนั้นอยู่ใ น, นเรื่องของการชุมนุมทั้งหมดรวมกันแต่เฉพาะเรื่อง ตลาดอริยะนั้นเราไม่ไปแตะต้องเงินกอง น, นั้นเราจะใช้เงินของเราชาวาโสกกันเองส่วนข้างนอกถ้าผู้ใดประสงค์อยากจะมาร่วมเข้ามาปฏิบัติตนเป็นสมาชิกชาวาโสกให้สาเร็จผู้เข้ามาปฏิบัติตนเป็นสมาชิกชาวาโสกสาเร็จได้เรามีกติกาคุณได้ร่วมงานตลาดอริยะก็ได้ร่วงงานนี้ขอขอบอกไว้นิดหนึ่งเท่านั้น น, นี่อธิบายฟังละเอียดละเอียดแล้ก็เราจะเริ่มต้นวันที่หนึ่งกันยายนเป็นครั้งที่สองของตลาดอริยะน้เราวันที่สิบสองสิงหาไปแล้วเราจะเริ่มต้นวันที่หนึ่งกันยาเป็นครั้งที่สองแล้วก็ครึ่งเดือนต่อไปของกันยาก็ต่อไปอีกไปอย่างนั้นนะนี่ก็แจ้งให้ทราบไม่ใช่มาทำอวดโออวดอ้างไม่ได้มาทาเบ่งทาเก๋ทาโก้อะไรไม่ใช่ แต่ทำเพื่อได้ฝึกขัดตนเองได้พิสูจน์จัดจะทำพระพุทธเจ้าและได้เป็นผลพลอยได้ที่ผู้ขัดข้องที่ผู้ยังจะต้องได้ช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลก็ได้ได้ผลประโยชน์อันนั้นจริงจะได้ทำลงไปนะอันนั้นเป็นเรื่องที่อาตมาขอเกินกล่าวก่อนในวันนี้ทีนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้เข้าสู่ การศึกษาเมื่อวานนี้อาตมาได้บรรยายถึงการเมืองแปดขั้นเพราะอาตมาอธิบายไปแล้วปรากฏว่าอาตมาแม่ขอบคุณอาจารย์ปราโมทนาครทัพศาสตราาจารย์ด็อกเตอร์ไม่รู้กี่ใบ เรียนไปแล้วก็ได้ด็อกเตอร์ไปก็ทิ้งไปได้ด็อกเตอร์ประเทศนั่นก็ทิ้งไปได้ด็อกเตอร์ประเทศนี้ก็ทิ้งไปไม่เคยมาบอกใครไม่เคยมาไม่มีไม่ปริญญาไม่มีศตราจารย์ด็ดอกเตอร์ปราโมชยกรทับปรากฏว่าโอ้ท่านก็แอบฟังอัตมาอยู่นะฟังแล้วท่านก็ไอ้นี่มาวันนี้อัตมาจะอ่านสูฟังอ่า อาตมาคนเล็กคนน้อยเป็นคนไร้การศึกษาไม่ต้องไปพูดเรื่ด็อกเตอร์หรอปริญญาจัตวาก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ปริญญาตรีเลยอาธมายชาตินี้ปริญญาปจัตวาก็ไม่ได้อย่าไปพูดเลยตรีก็ไม่ได้โทมรักเอกก็ไม่ต้องไปพูดเลยนะก็ แต่ทุกอย่างเป็นความจริงใจที่เอาความจริงพวกนี้ออกมาก็มีคนถามมาเอามาจากไหนเอาละก็เปิดเผยไปบ้างอยู่แล้วเอามาจากไหนแล้วค่อยบอกอีกอถึงเวลาหมอ่หมอมบอค่อยบอกอาจารย์ประโมทบอกว่ากราบน้มัจการขอประธานโทษเพราะ ง, งั้น เ, เพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อสักครู่เชื่อมั่นว่าพ่อครูนำไปสอดใส่และปรับเปลี่ยนได้ตามสบายคือเสนอมาเนี่ยและก็รายงบอกมาทั้งหมดเนี่ย แต่ว่าให้อัตมารปรับเปลี่ยนได้ตามสบายเพราะว่าพอ่อครูท่านได้เรียบเรียงเรียกอัตมาว่าพ่อครูตามใครๆเขาเพราะว่าพ่อพ่อพ่อครูท่านแหมเรียกว่าพ่อครูท่านเลยนะสองสองคำเลยพ่อครูท่านได้เรียบเรียงไว้เข้ากับแลนด์สเคปการเมืองไทยเข้ากันกับแลนด์สเคปการเมืองไทยเรื่องประชาธิปไตย ประชาธิปไตยนี้อธิบายตามหลักและวิถีพุทธที่แท้จริงได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องระบบหรือระบอบการปกครองและกฎหมายอันหลังนี้ถึงแม้ว่าจะคล้ายศีลและวินยัยแต่มนุษย์ก็หลากหลายและตันหาทำให้กดขี่ข่มเหงกันเองและทำลายผู้อื่นไม่มีที่สิ้นสุดจึงควบคุมด้วยศีล สินห้าบ้างสินแปดบ้างไม่พอความจริงสินห้าสินแปดในตัวของมันนั้นพอถ้าคนถือได้จริงๆทั้งหมดก็แทบว่าจะไม่ต้องมีกฎหมาย ห, หรือว่ามีการปกครองอันนี้ถูกต้องที่สุดนะอํานาจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแปดลำดับขั้นนะหนึ่งอานาจลาดับ ที่หนึ่งคืออำนาจของประชาชนออกมาประท้วงยืนยันคะแนนเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงดรทางรัฐศาสตร์กลับรองอัตมานะอัตมาพูดจนคอจะแหบจะแห้งแล้ว อ, อำนาจของประชาชนออกมาประท้วงยืนยันคะแนนเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงนี่อำนาจลำดับที่หนึ่งอำนาจลำดับที่สองคือพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นรัฐาธิปัตย์ตามสุปรีมลอก็รับรองที่อาตมาเอาคำว่าสุปรีมลอมามารับรองมายืนยันด้วยและมีวงเล็บแนะนำมาหน่อยหนึ่ง อ, อาจารย์ปรมโมดแนะนำมาด้วยว่าวงเล็บเปิดอำนาจลำดับที่หนึ่งร่วมกับอำนาจลำดับที่สองของประชาชนเขาในหลวงหน้าหนึ่งในสองเป็นราชประชาสมาสัย คืออาศัยกันราษฎรประชาราชประชาอาศัยซึ่งกันและกันต้องมีงั้นขาดไม่ได้หรอกในรัฐิประชาธิปไตยที่มีประมากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอำนาจระดับที่สองเป็นราชประชาสมาไซมรแลปิดในตอนนี้ตัวโตบเบล่งเบ้งเลยขีดเส้นตายเลยว่าอันนี้สําคัญเพราะมีนิติราชประเพณีแต่โบราณ และขนบธรรมเนียมประเพณีของราษฎรที่กลมกลืนกันบังเอิญคณะราชคณะราชค ณ, ณะปฏิวัติตั้งแต่ย4สี่มิถุนาเจนะ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าไม่ใช่สองห้านะบังเอิญคณะราชขัดกับพระมหากษศัตริ์ไม่เป็นราชประชาสมาสัยเพราะในตอนที่ปฏิวัติตอนนั้นสองของคณะราชก็บของในหลวงขัด ขัดกันจึงดําเนินการเป็นประชาธิปไตยไม่สําเร็จมันไม่มีราชประชาสมาสัย น, นนีต้ตัวใหญ่บเลเองมาเลย น, นี่คือหมายเหตุหรือคืออาจารย์ประมดแถมม า, าตมาไม่ได้อธิบายนี้ละเอียดขึ้นไปอีกถึงว่าเกิดจากคณะราษฎรพระมหากษัตริย์ตอนนั้นไม่ได้เกิดการประสานกันในตอนนั้น พันตอนนี้มันก็เลยคละกขสั่งมาแต่ตมาเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยเข้าใจขึ้นแล้วเพราะงั้นความเป็นราชประชาสมาสัยจะเกิดขึ้นได้แน่แน่เลยเชื่อไหมย่างโน่พูดเราเอาไหมเห็นไ่มแน่ยิ่งกว่าแน่อยู่แล้วเรากับพระมหากษัตริย์จะ อาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็จะร่วมทำงานกอบกู้ภาวะที่เสื่อมเสียไปในประเทศขึ้นมาให้ได้ประเทศของเรานะซึ่งเรามีพ่อเราก็จะต้องช่วยกันทั้งพ่อทั้งลูกช่วยกันกอบกู้ขึ้นมานะต่อมาอำนาจลำดับที่สามคือพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนั้นผ่านสามสถาบันคือสถาบันนิติบัญญัติ คือรัฐสภาบริหารคือครมอและตุลาการคือศาลอันนี้เป็นรัฐทิศตะวันตกอ า, อาจารย์ประโมทนี่อยู่ตะวันตกมันเยอะอยู่ตะวันตกมาค่อนชีวิตเลยตอนนี้เกิดปีเดียวกันอาจารย์ประโมกอัตามาเกิดปีเดียวกันดูเหมือนจะมันจำไม่ได้จะวิ่งเล่นอยู่ที่ น้องคายด้วยกันแต่เด็กเล็กๆตั้งแต่อายุยังเพิ่งจะสองขวบสามขวบสีขวบอะไรเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ประโม้นก็เป็นลูกหมออัตมาก็เป็นหลานหมอที่จรลูกอัตมาอาอัตมาเป็นเลี้ยงแต่เด็ก ๆ, ๆ, ๆเป็นลูกแต่เด็กๆเล็กๆเอาไปเลี้ยงเป็นลูกแล้ว ลูกอัตมาก็เป็นเป็นหมอนพ่อของอาจารย์ประโมทก็เป็นหมอทีนี้ตัวเล็กๆมันก็เป็นเพื่อนกันมันจำมัไม่ได้เท่านั้นเองหรือฟื้นแล้วว่าถ้ามันใช่มันจําไม่ได้อัตอมาก็จําได้กำกาคราดอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ประโมทอัตมาเนี่ยตอนนี้ก็มามาร่วมมือกันมาทํางานให้แก่ประเทศชาติด้วยกันไปนะ อับัุ ต, ติตะ <lip> ว <hi> ันตกนะสาาจารยพระพุทไปอยู่ตะวันตกซะเยอะอัตมาอยู่แต่เมืองไทยไม่ได้ไปไหนเลยอ่าเป็นรัตถ <vantage S> ิตตะวันตกซึ่งถือว่าอำนาจแต่ละอำนาจต้องแยกกันและทวงกันถูกต้องต้องทวงกันต้องแยกกันแต่ทุกวันนี้ี่มันมันมั่วมันมั่สั่วมันเละเละเป็นขี้ท้องเสียหมดละแยกอะไรไม่ออกเลยตอนนี้อันนี้ว่ามันนิติบัญญัติบริหารมันเละไปหมดละ โดยเฉพาะนิติบัญญัติกับบริหารมันเละนะตุลาการก็แย่เต็มทีไม่ใช่แย่ตุลาการนะโดนโดนโอ้โหโด น, โด น, โดนเลื่อยขาโดนหักขานะอ่าซึ่งถือว่าอำนาจแต่และอำนาจต้องแยกกันและถ่วงกันของไทยนับปนเปนกันหมดเนี่ยของไทยปนเปนกันหมดสักแต่อ้างว่ากษัตริย์แต่อำนาจกษัตริย์ตามทฤษฎีและประเพณีประชาธิปไตยตะวันตกรัฐบาลและกฎหมาย กับริดกรอนอำนาจกษัตริย์ไปเสียสิ้นเชิงแต่มันตกเขาอย่างนั้นแล้วเขาริตกรอนอำนาจของกษัตริย์ไปจนสิ้นเชิงแล้วเพราะงั้นยังเหลืออยู่แต่ทางตะวันออกยังเหลืออยู่แต่โดยเฉพาะประเทศไทยยังยังยังยัางงามสงา่ายังเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับกษัตริย์ด้วยนะทว่าก็ิงขึ้นอยู่กับองค์พระกรษัตริย์เองด้วย อันนี้อำนาจที่สมคืออำนาจพระมหากษัตริย์ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ใช้แทนประชาชนผ่านสามสถาบันหลักทีนี้อำนาจที่สคือประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายนี่เป็นอำนาจที่สประชาชนก็ไปแสดงอำนาจนั้นเลือกตั้งเลือกตั้งผู้แทนเลือกตั้งตามกฎหมายในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ไม่บังคับ แต่ส่วนน้อยก็มีบังคับให้ไปเลือกตั้งเช่นคอมมิวนิสต์เป็นต้นหรือว่าประเทศที่เขาบังคับได้เขาก็จะบังคับกันไป อ, อ่างที่เราเคยได้ยินบ้างประเทศข้างเคียงใกล้ๆบ้านเมืองเราก็มีบังคับกันไปบ้างแต่ธรรมดาเจ้าเป็นอิสร ะ, ะนั่นก็คือเป็นลำดับที่สี่เป็นอำนาจรอบที่สี่คือประชาชนไปเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ตามธรรมเนียมตามวิธีทีนี้ระดับที่ห้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสสสสว ส, ส จ, ส شر, สจอะไรก็แล้วแต่ก็ ke, เป็นวิธีเดียวกันในประเทศประชาธิปไตยต้องไม่บังคับต้องไม่บัคบงบคับสังกัดพรรคอันนี้เป็นรายละเอียดที่แถมเพิ่มเรื่อยๆว่าประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนี้ลําดับที่ห้าคือ е, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในประเทศประชาธิปไตยต้องไม่บังคับสังกัดพรรคโดยเฉพาะยิ่งมาใช้วิบใช้ บ, บ๊บแล้วก็จะต้องมีอ่ต้องเป็นหนึ่งเดียวนะต้องบังคับกระไรแตกเสียงไล่ออกไอ้นี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มีอิสระเสรีภาพมันคือเมืองทาตมันคือเมืองธาตยังเป็นสังคมธาตยังเป็นพรรคธาตอยู่อ่าต่อมา อำนาจลำดับที่6กคือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกจากสสในประเทศประชาธิปไตยไม่มีประเทศใดกำหนดส่วนใหญ่ก็อนุโลมกันโดยเฉพาะประชาธิปไตยที่มีระบบพรรคเข้มแข็งถึงกรกดีกษัตริย์อังกฤษคือราชินีอลิซาเบธ ก็เลือกคนนอกคือเซอร์ดักลาสฮูมมาเป็นนายกเมื่อปี1965อย่างนี้เป็นต้นนาสมเด็จพระนางเจ้าอริสมเบชท่านก็ทรงทามาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามเขาก็เป็นอิสระเสรีภาพของท่านอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือนายกก็เป็นอำนาจลำดับที่หกไม่ได้เป็นอำนาจยิ่งใหญ่อะไรเลย มีหน้าที่รับใช้ประชาชนนะนายกอะ่ะนายกนี่ก็คนไทยส่วนมากก็เรียกกันพูดกันว่านายกไม่ใช่ถ้านายต้องเรียกว่านายกอยอยักเ์ก็ไปสะกดนายนายเป็นนายกรเรียกอ่านไม่ใช่อ่านนายกต้องอ่านนายกอแต่ภาษามันนี่มาจากบาลีเขานายกกะ แปลวผู้ใหญ่แปลว่าผู้เป็นหัวหน้าต้องอ่านนายกอันนี้อัตมาก็พยายามพูดแทรกอยู่เรื่อยเลยพูดถึงนายกเมื่อไหร่แล้วก็คนไทยมันอ่านผิดหมดไปพิธีกรนักข่าวนั ก, กนอะไรก็ น, นายกนายกอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งมันผิดนายกในพจนานุกรมเขาก็บังคับไว้เขาก็เขียนไว้นะ ในพจนานุกรมทุกฉบับเรือจะมาเท่าที่ผ่านตาในพจนานุกรมก็บอกเอาไว้ว่าต้องอ่านนายกจะไม่เคยมีใครอ่านนายกเลยอ่านนายกทั้งนั้นเลยนะอันนี้ผิดต้องอ่านนายกนะสรุปแล้วนายกนี่เป็นอำนาจอธิปไตยลำดับที่หกไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะรับใช้ประชาชนตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ทำนอกหน้าที่ผิดนะ ทุกวันนี้นายกรัฐมนตรีไทยนี่ทำผิดหน้าที่เยอะแบ่ง เ, เกินอำนาจเยอะนี่ขอบอกจิงถ้าบ้านเมืองเจริญเมื่อไหร่นะตัวนี้เข้าคุกกันน่าดูเลยจิงอนักนรกนักนักนักนักนกนักนักนักนักนักนักนักนักนรกนักนักนันักันก น, นักนักน ยิ่งเป็นระดับที่เจคือคณะรัฐมนตรีนาะยรัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละท่านที่นายกเป็นผู้เลือกมาทํางานนายกเป็นผู้แต่งตั้งนะนายกเลือกตั้งเลือกตั้งรัฐมนตรีมาขึ้นมาทํางานในประเทศประชาธิปไตยพักกาหนดตัวมาให้นายกเลือกตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งคือผู้นํานโยบายสําคัญสำคั ญ, ค ญ, คญต่างก็แข่งขันกันขึ้นมาในพักเห็นไหม มันก็มีซับซ้อนมันก็แย่งชิงตําแหน่งรัฐมนตรีแย่งอะไรอะไรในพรรคก็จัดสรรกันอะไรกันโอ้ยุ่งยุ่งฉับัดเลยเนยก็ไม่เป็นไรเขาก็ยุ่งแต่ว่าขอให้มันซื่อสารว่าทุกคนเห็นแก่ประชาชนเลือกคนที่เหมาะสมมามันก็ดีี่จริงอ่ะขอให้มันเข้าสู่เนื้อหาเถอะจะมีวิธีแตกต่างกันไปไม่มีปัญหาถ้าเนื้อหาไม่ไปใสัเจตธรรมมันดีนะอ่าไม่ต้องเอาว่าคนนั้นคนนี้นะไม่ต้องไป จำเพราะเพราะส่วนใหญ่เป็นไ ป, นปนตามสูตรข้อยกเว้นมีเต็มมีแต่ว่ามีน้อยข้อยกเว้นก็นคือพูดไปแล้วรายละเอียดมันเยอะเนี่ยอัตมา ก, ก็ยังไม่เก่งพอที่จะสาธยายละเอียดหนึ่งสองเวลานี้ก็อัตมากคิดว่าอาตมากยังไม่ค่อยเก่งพอก็เดินไ่อยากจะอธิบายซ้อนขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขอผ่านไปก่อนสรุปแล้วก็คือรัฐมนตรีเนี่ยกลางขนาดเลยเนี่ย จริงๆแล้วไม่ได้มีอำนาจมากมายเลยเป็นผู้ไปรับใช้ประชาชนยิ่งมีตำแหน่งสูงกินเงินเดือนมากคุณต้องรับใช้มากแต่เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหอภิสิทธิ์เยอะแล้วอะไรตะไรอีกเยอะมันจ ง, ง, งกันข้ามกับสัจธรรมหมดเลยมันคนริบเงินเดือ น, อนคืน <Yeah. S 1> <c oughs> อจริงหน้าจะมาพูดสัจธรรม เขาว่าแทนที่จะได้กับเบ่งหาทางนั้นดีไม่ดีอาตมาไม่อยากจะพูดว่าเขาลัปชั้นซ้อนเข้าไปอีกมากมายโอ้เวรจริงๆเลยอาตมาไม่อยากพูดนะอันนี้บอกความจริงไม่อยากพูดหรอกแต่ว่ามันมันก็จําเป็นต้องเปิดเผยบ้างไม่เช่นั้นพวกเราก็เดี๋ยวหาว่าอาตมาไม่บอกความจริงอะไรบ้างซึ่งมันก็ ไม่ดีใช่เดี๋ยวก็ว่าจะมาอีกหาว่าจะมาหมกหมกเม็ดไม่เปิดเผยความจริงนี่เป็นอำนาจที่เจ็ดรัฐมนตรีเนี่ยอำนาจที่แปดคือข้าราชการข้าราชการประจำนี่คืออำนาจผู้รับใช้ประชาชน ซึ่งไม่ต้องเลือกตั้งอแต่งตั้งกันโดยแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีมัง่งแต่งตั้งตามข้าราชการตามกฎระเบียบไปมีกฎระเบียบการเกิดราชการด้วยรัฐมนตรีไปตั้งคือไปไปคืนก็ไปตั้งเองมัง่งโยงายเองมัง่งอะไรมังม่งก็ ม, มีข้าราชการประจำอะ่ะเพราะว่าอํานาจเขาสร้างเอาไว้ในกฎบัตรก็เลยทําได้คนก็เลยกลัวรัฐมนตรีกันกลัวกันลวนเลยทุกวันเนี้ย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมากเลยว่ามันไม่จริงตามสัจธรรมเลยมันกลายเป็นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องที่ขบถต่อสัจธรรมไปเยอะนะข้าราชการต้องเป็ น, นกลไกที่เป็นกลางและมีความสามารถในการนำนโยบายการเมืองมารับใช่ราษฎรไมิใช่หากินกับราษฎรและเอาราษฎรไปรับใช้หรือเป็นเบี้ยล่างการเมือง น, นี่คืออาจารย์ประโมทขีดเส้นใต้มาว่าต้องเป็ น, นกลไกที่เป็นกลางและมีความสามารถในการนานโยบายการเมืองมารับใช้ราษฎร <c oughs> แล้วนโยบายการเมืองที่มารับใช้ราษฎร น, นั้นก็เป็นนโยบายที่เป็นกลางเพื่อประชาชนจริงๆด้วยนะไม่ใช่นโยบาย <c oughs> ไม่แจะเป็นนโยบายอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยเป็นนโยบายที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเป็นนโยบายที่ซับซ้อนแฝงไปด้วยทุจริตความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรนี่มันไม่ใช่ น, นี่อาจารย์ประโมฒก็บอกว่ามิใช่หากินกับราษฎรและเอาราษฎรไปรับใช้หรือไปเป็นเบี้ยล่างการเมือง ต่อจากนั้นอาจารย์ก็แนะนก็อธิบายเป็นการเชิงแนะนำมาอีกว่าอธิบายอย่างนี้ดีครับไม่ขัดกับกรอบหลักอ่าคือสานองคำพูดอาตมานะว่าอาตมาพูดไปนี่แล้วก็เห็นว่าเห็นด้วยนะเห็นด้วยชัดเจนดีนะไม่ขัดกับหลักไม่ขัดกับกรอบหลักคือผู้เรียนมาเนี่ยเรียนจบด็อกเตอร์มาไม่รู้กี่ใบเนี่ย ได้เข้ามารับรองอรตมางี้ก็ก็ก็ก็ดีใจหรือมั่นใจขึ้นน่ะดีมากไม่ขัดกับกรอบหลักและเรียงลําดับตามสัมผัสหรือประสบการณ์การเมืองไทยซึ่งมีการคดเคี้ยวบูดเบี้ยวในแต่ละข้อละตอนหรือองค์ประกอบทําให้ได้แต่สั ญ, ญลักษณ์ไม่ได้ตัวประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือได้แบบแข็งบ้างอ่อนบ้างหรือบางทีก็เข้ารกเข้าพงไปเป็นอนาธิปไตย หรือประเด็จการสุดโตงไปเลยก็มีผมว่าจะแยกในคืออาจารย์ประโมทว่าผมว่าจะแยกเป็นแปดขัน้นหรือข้อหรือลำดับอย่างนี้ก็ดีดังที่กล่าวมาแล้วเพราะคนไทยมองเห็นภาพพดเข้าใจง่ายแต่ควรอธิบายเสียด้วยว่านี่ไม่ใช่ปรากฏตายตัวเอาข้ไปไม่ใช่นี่ไ ม, ม่ปรานี่ไม่ใช่กดตายตัว แต่คนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งนักวิชาการมักจะไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยมีไตรลักษณะมีใจรักนะประชาธิปไตยก็มีใจรักขาดอันหนึ่งอันใดความเป็นประชาธิปไตยก็น้อยลงไตรลักษณะมีนี้ประกอบด้วยนะนี่อาจารย์ประโมทได้กรุณาให้ข้ออนิมาเพิ่มเติมว่าไตรลักษณะประกอบด้วยหนึ่งวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตย ใช้วิถีพุทธอธิบายได้เกือบร้อยอซตความเห็นอันที่หนึ่งวิธีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตยใช้วิธีพุทธอธิบายได้เกือบร้อยเปอร์เซนอาตมาว่าไม่ใช่เกือบหรอกมันร้อยเปเซตเต็มจร <c oughs> ิงประชาธิปไตยเนี่ยใช้วิถีพุทธอาตมากำลัง เราคิดอะไรฉบับหน้าโปรติตามเขียนแล้วเสร็จแล้วเป็นกวีไว้เสร็จแล้วหน้าปกเราคิดอะไรฉบับหน้าพูดถึงเรื่องอธิปไตยสามอัอตราธิปไตยโรกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยสามเอ๊ะใช่หป่าข่าวหน้าป่าไ<ะ>อ้ น, นี้สิอันที่หน้าปกประจําฉบับนี้สิอธิปไตยสาวใช่ประาาชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงใอสามอันนี้และอันหน้าก็ย้ํา อัตตาฉบับหน้าย้ำอัตตาหรือตัวตนซ้ำเข้าไปอีกสําหรับฉบับนี้แหละนี่ฉบับบางตลาดอยู่ขณะนีน้ประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงเนี่ยคือต้องเข้าใจอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยมีอัตตาเป็นอธิปไตยเอาตัวเองเนี่เป็นอธิปไตยเป็นอำนาจใหญ่และไม่รู้ตัวมันซึ้งมาก เพราะงั้นผู้ใดรู้จักความเป็นอัตตาโดยใช้อธิปไตยเบ่งคนนั้นเลิกละลดได้คนนั้นก็หมดอัตตาก็มีอธิปไตยมีอำนาจโดยธรรมเราไม่ใช้ตัวเองเป็นอำนาจนี่แหละยิ่งมีอำนาจโดยธรรมสองโลกาธิปไตยคืออธิปไตยที่ใช้โลกเป็นอธิปไตยไงโลกาธิปไตย โลกคืออะไรโลกคือลาบยศสันเสริญกามและอัตตานี่แหละคืออธิปไตยใช้ลาบยศสรนเสริญกามและอัตตาเป็นอำนาจแล้วก็เอาอำนาจนั้นมาบังคับคนอย่างที่พฤติกรรมที่เขาทำกันอยู่ในตลาดตลาดประเทศขณะนี้ใช้กันอยู่เลยทุกแข่งใช้อำนาจลาบยศสรนเสริญกามและอัตตาเป็นอำนาจบังคับคน ตอนนี้สามธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็คือลดอัตตาให้หมดลดความเป็นธาตุอัตตาให้ได้ลดความเป็นาธตาตุโลกกระทให้ได้ดนกกรรดั่นคือธรรมะลดได้หมดก็เป็นธิปไตที่ไม่เป็นาธาตุอัตตาไม่เป็นาธาตุโลกกรรม ผู้นั้นแหละคือธรรมมาทิปยไตยซึ่งชื่อว่าประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงอ้าวใครอยากจะเอาอ่านกวีก็ไปหาเอาตามหนังสือเราคิดอะไรเล่มที่วางตลาดอยู่ระดับขณะนี้มีเอสออบอกมาว่าสันเตียโศก จะปกครองประเทศไทยหรือเปล่าเทราสมาคมจัดการด่วนผ้าห่มก็ไม่ใช้สีเหลืองด้วยนี่เอสเวฟมาคนก็ส่งมาให้อาก็ขอบอกนะท่านเอ s เเอมาเตือนก็เข้าใจก็ตอบว่าสันติสุขจะปกครองประเทศหรือเปล่าตอบปกครองโดยไม่ปกครอง ปกครองโดยไม่ปกครองไม่ขอปกครองใครแต่ให้ใครๆปกครองตนช่วยตนให้รอดแล้วช่วยผู้อื่นต่อนี่คือวิธีปกครองของกันเจีโศกอ่าทนี้ผู้ที่เอสเวมาก็บอกว่าเทราสมาคมจัดการด่วนเทราสมาคมมีผู้มีปัญญา ถ้าผู้มีปัญญาโดยเฉพาะมีกําลังปัญญาสี่มีพันมีกำลังปัญญามีพลังของปัญญามีพลังของวิรยิยะมีพลังของอนนวัชามีพลังของสังคหะเป็นปัญญาที่รู้จักโลกรู้จักธรรมผู้มีปัญญาจะรู้ว่าอาตจะมาทำสิ่งที่เป็นสัจจะเป็นธรรมวาทีหรืออธรรมวาที อาตมาก็ไม่มีปัญหาผู้ที่ไม่มีปัญญาท่านก็ทำอย่างที่ท่านไม่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาท่านก็ทำอย่างที่ท่านมีปัญญาแตมาไม่มีปัญหาเลยนะนี่เป็นสัจจะอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาโดนมาแล้วโดนมาแล้วอาตมาก็ยอมไม่มีปัญหาหรอกแพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคง <laughs> ประเด็นที่สามของเอสเอสบอกมาว่าผ้าห่มก็ไม่ใช่สีเหลืองด้วยก็ถูกสิก็ไม่ได้ใช้สีเหลืองก็ถูกแล้วไงเพราะสีเหลืองเป็นสีต้องห้ามพระพุทธเจ้าห้ามในพระไตรปิฎกเล่มห้าไปตรวจดูสีจีวรที่พระพุทธ เ, เ 5, จ, ดดจธเ้าท่านห้ามไว้เจ็ดสีมีสีเหลืองอยู่ในนั้นด้วย เจ็ดสีคือหนึ่งสีคลามสองสีดำสามสีเหลืองสี่สีแสดห้าสีแดงหกสีชมพูเจ็ดสีบานเย็นพระจะเป็นดอกเล่มห้าบอกข้อให้ข้อร้อยหกสิบเก้าตอนนี้อินเสิร์ตออกไปสู่กขนอกแล้วด้วยมันนี่มีของจริงสีจีบอลที่ต้องห้าม ก็อาตมาไม่ได้ทําผิดของมูพุรุเจ้าอาตมาก็ถูกสิเพราะฉะนั้เถรสมาคมจะมาจัดการอาตมาหรือให้อาตมาบอกเทรสมาคมดีกันแน่ท่านเหลืองอย่างพราวตาเนี่ยโหเดินเดี๋ยวนี้สง่าเลยเป็นทีมคณะใหญ่เลยเป็นเดินเหยียบดอกไม้ไปเดินเหยียบอวดอ้างอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้ นั่นสีเหลืองแท้ๆเลยอัตมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คณะนั่นแน่นอนอ้าวก็ว่าไปนี่ก็ตอบตามจริงนะอัตมาไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้โกรธเคืองหรือไม่ได้ชิงชังอะไรนะเอาสัจจะมาตอบมาพูดไปนะอ้าวตอ่อนะ วิถีชีวิตนะ้อาจารย์ประโมทมาบอกว่าหนึ่งวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตยใช้วิถีพุทธอธิบายได้เกือบร้อยเอเซนต์อาตมาบอกว่าขอตัดได้ไหมอาจารย์คําว่าเกือบอธิบายได้ร้อยเปซเลยนะ้าสองสองความเชื่อหรืออุดมการณ์ที่เป็นประชาธิปไตยใช้หลักพุทธอธิบายได้เกือบร้อยเอร์เซต อีกแหละอ่าหนึ่งวิถีชีวิตสองความเชื่อหรืออุดมการอ่าที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ปะมูติบอกว่าใช้หลักพุทธอธิบายได้เกือบร้อยเปอร์ตอัตมาขอเต็มรนะ้อยเอร์ซนตนะอ่าก็ขอยืนยันว่าวิถีชีวิตนั้นก็คือมีชีวิตดำเนินไปตามหลักเกณฑ์ มันมีหลักเกณฑ์มันมีธรรมเนียมมันมีวัฒนธรรมหรือมันมีสัญชาติญาณเลยวิถีชีวิตเนี่ยพอเสร็จลงตัวแล้วมันก็เป็นสัญชาติญาณเป็นวิถีชีวิตเป็นหลักเกณฑ์เป็นกฎเป็นระเบียบเป็นศีลเป็นวิ น, นัยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าศีลสามัญญาตาศีลสามัญญตาค น, ะนาญญาหนึ่งข้อสองความเชื่อความเชื่อความเห็นความรู้อุดมการณ์ ออุดมคติเนี่ยอันนี้ก็คือทิฏฐิสามัญญาตาก็สอนครพระพุทธเจ้าตัดไปแล้วร้อยเปอร์เซเลยขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพรุทธเจ้าทิฏฐิของตามของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเกือบหรอร้อยเอร์ซนต์เต็มๆเลยไม่ต้องเกินนะไม่ต้องเกินของท่านไม่ต้องเกินของพระพุทธเจ้าสาระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยในภาคปฏิบัติ ระบบหรือลักษณะที่3นี่จะต้องไม่ขัดหรือเอื้ออำนวยให้ข้อ1และข้อ2มีข้อ1และข้อ2แล้วข้อสมไม่มีก็ยังไม่เป็นไรถูกต้องแล้วครับถ้ามีข้อ3ที่กดหรือขัดหรือว่าทาลายข้อ1และข้อ2ออย่างนั้นถึงจะมีเลือกตั้งกี่หนมีรัฐธรรมนูญกี่ฉบับ ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยถูกต้องอีกแล้วอาหลงทายว่าผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าวิถีพุทธและลักษณะสังคมไทยแต่โบราณมีราชประประชาสมาสัยอยู่แล้วใช่แล้วตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงไงใช่ไหม อของไทยเนี่ยมีอยู่แล้วมีมาแต่โบราณมีราชประช า, าราชประชาศาสมาสัยอยู่แล้วเป็นประชาธิปไตยมากอยู่แล้วแต่การแย่งชิงอำนาจการเมืองทั้งภายในประเทศในค่ายของการเมืองโลกและระหว่างรัฐที่ต่างๆได้เข้ามาทำลายต้นทุนประชาธิปไตยเดิมซึ่งใกล้เคียงธรรมมาธิปไตย ของไทยในใกล้เคียงธรรมมาทิปไตยมากเขายืนยนันอากมาอย่างแต่ท่านของพระพุทธของพระเจ้าของพระเจ้ารามคำแหงนี่เป็นต้นอย่างที่อาตมาพูดกล่าวผ่านไปแล้วนะใกล้เคียงและถ้าเผื่อว่าศึกษาให้ลึกซึ้งจริงๆแล้วได้เต็มเลยนะเพราะเมืองไทยเราเมืองพุทธต้องเอาพุทธให้มันเพียวๆให้พุทธมันสะอาดบริสุทธิ์ให้ถูกต้องตามธรรมบุญเจ้าให้เต็มๆนะซึ่งใกล้เคียงธรรมมาทิปไตย โดยมุ่งสร้างและมุ่งเน้นแต่อำนาจรัฐเพราะงั้นที่ไปผิดเพี้ยนไปเป็นรัฐที่ต่างๆเข้ามาทำลายต้นทุนประชาธิปไตยเพราะมันเพี้ยนไปหาอำนาจรัฐไปหาอำนาจเป็นอำนาจและต่อสู้กันระหว่างเพื่ออำนาจโดยอาวุธและเงินมีอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิถีชีวิตปร ะ, ประชาธิปไตยและอุดมการหรือความเชื่อประชาธิปไตยก็หดหาย และถูกบัณทรไปเรื่อยๆอันนี้ก็จริงเป็นอำนาจโลก อ, อำนาจโลกเข้ามาทำให้มันเพี้ยนไป น, นี่เป็นเรียกว่าเป็นอะไรลนะ่ะเป็นรางวันเป็นสิ่งประเส ร, ริฐที่อาจารย์ปราโมทได้การุณาการุณาสำนองหรือว่ารับรับเสนอและก็สนองและก็แนะ แด้ก็แนะให้อัตมามาก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะน่าเป็นเรื่องของที่ได้พูดไปเมื่อวานนี้อัตมาก็จะขอใช้อันนี้แหละซ้ำอีกนิดนึงวันนี้อย่าเบื่อยังยังไม่เบื่อนะอา้าวยังไม่เบื่อเอาเลยอธิปไตยแปดระดับสรุปลำดับที่หนึ่งก็มีอำนาจของประชาชน ออกมาประท้วงยืนยันคะแนนเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงนี่คืออำนาจประชาธิปไตยสดสดเป็นของแท้ระดับหนึ่งเลยประชาชนแต่ละคนแม่เด็กอ้แว่ออกมาก็มีอธิปไตยแล้วได้เกิดมาอ้แว่ออกมานี่เป็นหนึ่งคนหนึ่งเสียงแล้วคุณอุ้มมานี่มีหนึ่งเสียงเลยหนึ่งเสียงเลย เด็กถือว่าอยู่ในความควบคุมของผู้ปกครองขอให้ผู้ปกครองเห็ น, หนกันอุ้มปะเถอะถือเป็นหนึ่งคะแนนด้วยพร้อมกันมาสามคนพ่อแม่ลูกได้สามเสียงเลยได้สามคะแนนเลยสองคะแนนสดๆเลยนะนับหัวได้เลยนี่อำนาจของอธิปไตยเบอร์หนึ่งของประชาชนออกมาประท้วงออกมายืนยันเนี่ยมาสดๆในตัวจริงเนี่ยนี่ไม่นับนี่ยกี่คนเนี่ย เนี่ยถึงพันหรือเปล่าเนี่ยก็พันคะแนนนะนับดูเถอะนี่คือเสนอเพราะฉะนั้นเรามาแสดงอำนาจประชาธิปไตยโดยการแสดงอย่างสงบแสดงอย่างใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความต้องการอะไรตามสิทธิมนุษยชนที่มีกฎระเบียบมีตินิติรัฐนิติธรรมกำหนดไว้เสร็จเราไม่ละเมิด เรแสดงอยากสิทธิของเรามีเต็มๆอย่างเรียบร้อยสุภาพความต้องการมีเหตุผลอะไรก็ว่าไปมีหลักฐานความจริงอะไรก็ว่ากันไปนนี่อำนาจที่หนึ่งจำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเข้าใจแล้วออกมาแสดงจริงๆเลยเป็นมวลแม้เห็นด้วยความเห็นกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ออกมาเลยเพราะว่าเราต้องการคะแนนเสียงของประชาธิปไตยไทยหน่อยสิเราต้องการจะให้เลิอกอันนี้ให้ทํามันนี้ ให้คนนี้ออกจากตาแหน่งเธอทำไม่ไม่ ไ, มได้แล้วแล้วก็ออกมาแสดงแล้วก็มาชี้กันเพราะงั้นถ้าเผื่ว่าบุคคลที่เห็นด้วยออกมาแสดงปึ๊บเลยจริงๆอังอาตมาก็รออยู่สักวันหนึ่งว่าถ้าบอกไปแล้วมีประชาชนออกมาเลยปั๊บในประเทศไทยนี่ขอสักล้านเสียงเป็นขวัญตาสักหน่อยนะล้านคนออกมาเนี่ยนะ ไม่ตะกระหรอกไม่ตะกระไม่เอาสิบห้าล้านเสียงหรอกเอาล้านเดียวคะแนนสดสดของประชาชนออกมาเนี่ยล้านคนออกมาดูซิอาตมาอยากดูผลว่าล้านคนนี้จะมีพลังของความเป็นอำนาจคือความเป็นอธิปไตยของประชาชนล้านคนนี่มันมีพลังนิวเคลียร์มันเป็นพลังนิวเคลียร์ทางจิตวิญ ญ, ญาณ ซึ่งไม่ต้องทำอะไรคุณออกมาสงบแล้วก็ามาแสดงความเห็นร่วมกันตอนนั้นว่านี่ต้องการให้เลิกไม่ต้องโกงเงินสองสองล้านล้านนี่นะเท่านี้เท่านี้ยออกมาสักล้านคนนี่เราพิสูจกันดูไหมเรามิสูจนกันดูมามจะมาอยากดูจังเลยว่าคุณนางนายกคุณนางนายกปูนี่จะว่ายัางไง เขานางสาวนางสาวคุณนางสาวนายกปูนี่จะว่าไงเขาไม่ใช่นายหรอกเขาเป็นนางนางสาวแต่เขาว่าเขาเป็นนางสาวแต่เขามีลูกเกาไม่มีปัญหาก็กฎหมายบัญญัติว่ายังไงก็ทําอย่างงั้นก็ได้ไม่ว่าอะไรนี่มันบัญญนะัตินะบัญญัติจะเรียกยังไงก็เรียกไ้ทีแต่สัจจา ก, ก็คือสัจจามีปัญหาอะไรนะอาตมาก็อยากจะดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไง อาตมาเมืองไทยยังไม่เคยมีปรากฏการณ์ออกมาอยา่างสงบอย่างสวยงามยังเ ป, ประชาธิปไตยที่เป็นสันติอหิงสาซนะื่อสัตย์บริสุทธิ์แม่นคมชัดคมลึกแม่นประเด็นตามที่อาตมาพยายามพารมเนี่ยมันจะเป็นยังไงอยากจะเห็นเหมือนกันแต่เอาเถอะรอดนะูดูไปดูไปเราใช้สูตรดูไป go on and see out อาต่อมาลําดับที่สองคือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นรัฐาธิปัตตามสุปรีมลออํานาจลําดับที่หนึ่งและสองนี้คือหนึ่งที่สองนี้คือราชประชาสมาสัยในสรุปนะหนึ่งอำนาจเป็นของประชาชนออกมาประท้วงยืนยันคะแนนเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงสองพระมหากษัตริย์ผู้เป็นรัฐาธิปัตตามสุปรีมลอเป็นอํานาจลําดับที่หนึ่งกับสองคือราชประชาสมาสัย สามคือพระมหากษัตริย์นั่นแหละใช้อานาจนั้นอำนาจของประชาชนอำนาจแทนประชาชนนี่ผ่านสามสถาบันคือสถาบันนิติบัญญัติบริหารและตุลาการสี่อนาจของประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนขึ้นมาเป็นอานาจที่สีห้าตัวผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิ ก, ส, ชกสภา ผู้แทนรัศดรนั่นคืออำนาจที่ห้าหกอำนาจนายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งจากสสอีกทีงเจ็ดคณะรัฐมนตรีที่นายกเป็นผู้เลือกมาทำงานแปดข้าราชการคนจำดีๆจำได้หมดแล้วใช่ไหมเป็นประชาธิปไตย8ขั้นแปดลำดับ ฟังดีๆนะแล้วเข้าใจดีๆอัตมาว่าเป็นเป็นการเข้าใจประชาธที่ประยให้มันดีๆจั ด, ดๆแล้วเราจะได้ปฏิบัติถูกตอนนี้ลำดับที่แปดค่าราชาการเป็นไงเอ่ยรับใช้ประชาชนหรือเป็นนายประชาชนหากินกับประชาชนหรือ รับแต่เพียงส่วนที่พอได้ตามเงินเดือนเอาพูดไปเดี๋ยวข้าราชการจะมาเพ่งโทษอาตมาเข้าให้เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเคืองอาตมามากเกินไปนะเพราะฉะนั้นข้าราชการก็เข้าใจด้วยจริงๆแล้วประเทศไทยนี่อธิบายได้อีกหลายอย่างแม้แต่คำว่าราชการก็อธิบายได้นะ เป็นการทำงานรับใช้พระราชาแล้วเป็นแทนท่านนี้พระกันพระราชารับใช้ประชาชนแทนพระองค์ท่านแต่ไม่ได้รับใช้ประชาชนกลายมาเป็นนายกลายมาเป็นผู้หากินกับประชาชนสิ่งนี้เป็นขบถเป็นขบถที่แท้จริงข้าราชการก็เป็นขบถเพราะใครนัดนะต่อข้าราชการที่อาจมาพูดจะจะทำให้ความรู้อาตมาไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดคุณ อัตมาไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างจิตใจเป็นการโกรธเคืองชิงชังให้มันบาปแก่ใจตัวเองแต่อัตมาพูดจะจะทำสู่ฟังเท่านั้นเป็นความปรารถนาดีและเป็นความเมตตาที่บอกความจริงให้ทราบว่ามันผิดนะจ๊ะรับรู้ไว้ด้วยและแก้ไขซะซึ่งไม่อัตมาไม่ได้หมายความว่าเป็นลงโทษหรือว่าไปย่ํายีอะไรแต่มันเป็นโอกาสที่อัตมา ถ, ถือว่านี่แหละสถานที่นี้จะเป็นที่ที่จะอธิบายความจริง ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดนะเป็นสถานที่ช่วยกันทำอย่างที่อาจมากล่าวให้ได้นะทีนี้ลำดับที่เจ็ดล่ะลำดับที่แปดข้าราชการประจาเนี่ยซึ่งเป็นนักการเมืองที่ได้อำนาจไปทำงานให้แก่ประชาชนรับใช้ประชาชนอยู่ ประจำประเทศอยู่เป็นตลอดเวลาส่วนลำดับที่เจ็ดนั้นเป็นรัฐมนตรีที่นายกเลือกมาทำงานช่วยแทนแบ่งไปตามนตามกรมตามกองตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามหน่วยงานต่างๆเสร็จแล้วก็ไปทำงานเขาให้โอกาสดูแลควบคุมข้าราชการประจำอีกชั้นหนึ่ง ก็เลยเป็นเบ่งขี้แตกเลยข้าราชการกลัวหัวหดเห็นแล้วข้าราชการก็เลยต้องรองรับอำนาจนั้นตกอยู่ในภาวะแห่งอาณาจักรแห่งความกลัวสวยไหมละ่ะนี่คือความที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นผู้เป็นรัฐมนตรีต้องพยายามรู้จักหน้าที่ รู้จักขอบเขตของสิ่งที่ตนเองไปรับหน้าที่ไปปฏิบัติกับประชาชนหรือแม้แต่จะปฏิบัติกับข้าราชการประจำเขาก็ตามก็ต้องมีสุจริตมีสัจธรรมปฏิบัติให้มันดีถ้าไม่เช่นนั้นมันล้มเหลวไปทั้งกระบวนกะาลำดับที่หนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับเลือกตั้งไปจากสส อ, อีกทีหนึงสสอือผู้แทนประชาชนนายกรัฐมนตรีที่เป็นอำนาจลำดับที่หเนี่ยได้รู้จักหน้าที่ตนเองไหมได้รับใช้ประชาชนสมกับเป็นตําแหน่งหน้าที่ที่เขายกให้แล้วก็เขาก็เอื้อเอวยและได้อย่างที่จะอันนั้นอันนี้ก็ต้องการอะไรแต่ละตรงการความสะดวกอุปกรณ์จากนั่นอย่างนี้ เขาก็ให้กันทั้งนั้นเลยดีไม่ดีไม่ต้องให้ฉันสั่งเองเลยเหมารือบินไปเลยใครจะไปมาเลยเอน็นูขึ้นเรืบินไปก็ขันได้เลยอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเกินไปไหมมันมากไปไหมแครประชาชนเขามั่งไหม อันลำดับที่ห้าสมาชิกสภาพูดแทนราษฎรเป็นตัวแทนนะจ๊ะไม่ใช่เจ้าของอำนาจนะจ๊ะรู้จักเจ้าของอำนาจเขาซับบังไม่เคยเกรงใจอำนาจเจ้าของเลยแบ่งขี้แตกเหมือนกัน นี่คือสอสอที่ขบดข้อพัยอัตมาต้องพูดชัดพูดแรงทุกวันนี้อัตมาเป็นดาราตุกตาท้องคือต้องแสดงดรามาติกท่าทางลีลาซุ่มเสียงสำเนียงออกมาแสดงสื่อออกมาอย่างจริงจังแต่ใจดีดีใจสะอาด ใจไม่ได้เป็นอย่างที่แสดงหรอกดูเหมือนว่าแม้มันรู้มันมันดุไม่ได้ดุเลยใจดีใจดีจดนะอ่านี่จริงนะอาตมาไม่ได้หลอกแต่ต้องแสดงเหมือนแม่เวลาดูลูกคุณจะดูเดี๋ยวแม่ตีสนันี่แล้วก็ยิ้มเดี๋ยวลูกมันก็กลัวหรอก <laughs> เอออาตมาไม่โง่ขนาดนั้นหรอก แม่จะดูลูกเดี๋ยวแม่ติ้นนะยแล้วก็ลูกหัวกระตเดี๋ยวลูกมันก็กลัวตายหรอกมันต้องรู้จักว่าเราจะแสดงบิญยัตรรูปรูปที่เคลื่อนไหวเป็นนักจากคีตะวารีตาออกมาเนี่เป็นลีลาขององค์ประกอบของท่าทางลีลานี่เขาเรียกว่าจัดคอมโพซิชัน จัดองค์ประกอบของท่าทางลีลาซุ้มเสียงสำเนียงให้มันดูจริงจังสื่อออกมาและคนรับความหมายอันนี้ได้ชัดนั่นคือผลสำเร็จของการสื่ อ, อนี่สอนงานศิลปะไปในตัวอ่าเพราะฉะนั้นผู้แทนก็ต้องควรรู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้แทนไปรับใช้ประชาชนมีอะไรก็ถามไทยประชาชน ฟังเสียงประชาชนไปปรึกษาประชาชนบ้างไม่ใช่ไปครอบงำประชาชนเป็นเบ่งประชาชนแล้วก็ไปสร้างวิธีการให้ประชาชนนี่กลัวเกรงได้อยู่ใต้อํานาจแล้วก็หาวิธีประชานิยมอะไรตๆต่างๆนาน า, า, ามันเสียหมดลําดับที่สประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายรู้ตัวเองว่าไปเลือกตั้งนั้นเราอิสระเสรีภาพอย่าขายเสียงซื้อเสียงอย่าตกเป็นทาสของ คนนั้นคนนี้อะไรจะได้ต่างๆนานาเป็นตัวของตัวเองให้ดีจะเป็นเลือกใครก็เลือกตามปัญญาของตัวเองคนไหนเหมาะสมจะเลือกก็เลือกต้องให้จริงจังให้ชัดเจนในประชาที่ไปในผู้ที่เป็นประชาชนที่จะใช้ไปใช้ใชสิทธิเลือกตั้งตัวแทนของเราเขาเข้าไปแล้วเขาก็จะไปทำการทำการบริหารที่เปผลกระทบต่อประเทศชาติแม้จะเป็นผู้แทนระดับ อบอตเฉาอสจ อ, อ, อ, อ, อ, อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปตามกรอบขอบเขตถึงสอสอ ส, อสอวอก็เป็นไปนะไปแล้วนะผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสามสามสองหนึ่งจะมาจะไม่อธิบายมากละนะยกไว้นะสามคือพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจแทนประชาชนผ่านสถาบันสามสถาบันซึ่งทุกวันนี้ สถาบันหลักของประเทศก็นู่กันอยู่แล้วว่าสภาก็เละเทะครมอก็เละเทะนะผู้บริหารก็เละเทะนะตุลาการก็ถูกกดดันถูกอะไรอะไรจนจะถ้าเผื่อว่าขาดตุลาการและประเทศไทยเละเป็นโอ้โหยิ่งกว่าโจกยิ่งกว่าขี้คนท้องร่วงคุณนึกเอาเองอกันแล้วการธรรมมาพูดชัด และยิ่งกวขี้คนท้องร่วงนะถ้าเผื่อว่าอำนาจตุลาการหมดไปแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านั้นเขาก็คุกคามอยู่ทั้งตลอดเวลาเลยซึ่งก็ดูแล้วน่าสงสารประเทศผู้ดูแลกฎหมายผู้ดูแลควบคุมความเรียบร้อยของสังคมนะไปที่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันก็ไม่เคยจะเป็นอะไรได้เลยนะมันก็แหมสงสารประเทศไทยนะเพราะงั้นก็ต้อง ประชาชนต้องช่วยกันเมื่อสิ่งใดขบฏเราก็ต้องมาช่วยกันเพื่อที่จะกั้นไม่ให้เขาขบฏการที่จะมากั้นไม่ให้เขาขบฏนี่ไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ดีเราไม่อยากให้เขาทําบาปไม่อยากให้เขาทําผิดไม่อยากให้เขาทําชั่วมันไม่ดีเราก็มากั้นมาตามไม่ต้องไปตีรันพันแทงไม่ต้องไปลุกลานอะไรเขานะไม่ต้องไปรุนแรงกับเขาเขารุนแรงมาเราหลบหลบไม่ได้ก็สวยไปอาตมาก็สวยมาแล้ว ก็เสื่อก็นึกว่าเขาจะไม่ทําอะไรเขาก็นึกว่าเขาจะเกรงใจพระเกรงใจเจ้ามั่งตายตายตายตายโอ๊ยหลงเชื่อผิดผิดไว้ใจผิดอัตมาจะไม่เชื่อใจเจ้าแล้วเจ้าไม่ทําให้อัตมาไว้ใจได้เลย อ้าวเพราะงั้นขอผ่านอำนาจสามอำนาจนั่นก็เป็นไปนเช่นนี้ส่วนอำนาจที่สองและที่หนึ่งก็จะขอย้ำอำนาจที่หนึ่งอำนาจที่สองขอผ่านมาเรายกไว้เป็นรัฐองค์รัฐาธิปัตย์ย่อมเป็นสู p e ีม o อเหนือกว่าเหนือกว่าอะไรอ่ะ กฎหมายรัฐธรรมนูญเนื้อกับกฎหมายหลักเนื้อกฎกฎหมายย่อยเนื้อกับกรรมมาลอกรรมมลอนี่คือกฎหมายเบ้วยกฎหมายใต้ที่สุดกรรมลอนี่ภาษาไทยนะมันเพี้ยนมาจากคําว่าคํามันลอก็เลยเรียกว่ากรรมมลอเนื้อกับกฎหมายกรรมมาลอเนื้อกับพิเศษพิเศษพิเศษเศษพิเศษพ เดอะ e of Law ลอร์เดอกอรกไหมรยฐธรรมนูญนะเรียกว่าส u p r ปรีม a อนะพระเจ้าอยู่หัวเป็นเช่นนั้นนะเชื้อตมาก็เคยนำมาเสนอมีหลักฐานที่สากลนารับรองกันอยู่แล้วนะทีนี้อำนาจของประชาชนอันนี้แหละมันต้องพูดกันอีกแม่ย้ำซ้ำซากอย่าเบื่อเลยนะ เพราะว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจที่จะต้องศึกษาในระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องศึกษาคนที่จะมีอำนาจในตนประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของโลภ โ, โกรธหลงถ้ามีความโลภโกรธหลงมากเท่าไหร่เราก็จะยังมีอัตตาที่จะเป็นเป็นท่าโลกธรรมโลภอยากได้อยากมีอยากเป็น อยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรเสริญอยากได้รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสอยากได้กามอยากได้อะไรมาบาเรอใจเราัตาให้ใจเรานี่สมใจเราอยากได้อะไรก็อยากได้สมใจใจอยากได้อะไรก็ได้สมใจแล้วนึกว่ามันนั่นแหละสุขได้สมใจแล้วสุขใครจะเดือดร้อน ใครจะเสียหายใครจะเปลืองใครจะผลานใครจะมาเป็นทาสบํเาเรอเราอย่างไรไม่สนคนนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเพราะงั้นมาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเราจะลดอัตตาลดกามรูปรดเป็นเส้นสัมผัสจะเห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่จริงมันเป็นอัลกัต ได้มาเสพสมใจแล้วมันก็เป็นกามมาสุขันลิกะอลิกะนี่แปลว่าของเท็จแต่ว่าของหลอกไม่จริงได้มาบำเรอตาบำเรอหูบำเ ร, อ, ำเรอจมูกบำเรอริ้นบำเ ร, อ, ำเรอรดทั้งนีน้มาบำเรอกายสัมผัสเสียดสีเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ส่วนบำเร อ, อัตาคือมาบำเรอสิ่งที่นอกเนื้อกว่อห้าห้าสัมผัสนี่แล้ว เป็นการตั้งอะไรขึ้นมาในจิตเป็นนิมานที่มันนอกเนื้อกบรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นรูปธรรมอะไรก็ตามแต่ที่คุณตั้งสร้างขึ้นมาจะต้องได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อางมาบำเรออัตตานอกเนื้อกระรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วเป็นเรื่องของอัตตาทั้งสิน้นก็เป็นสิ่งไม่จริงเป็นอลิกะทั้งนั้น พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกามตาหูจมูกลิ้นการนี่เป็นเบื้องต้นมาเรียนรู้จิตที่มันเป็นหลงเสพรสอร่อยทางกามจะรู้จากรสอร่อยทางกามรอ้อมันเป็นรสอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นรสที่ปรุงแต่งเสพสัมผัสพอเริ่มจะสัมผัสมันก็เป็นของปลอมเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของความจําความจริงหายไปเหลือแต่ความจําเสร็จแล้วเราก็ หลงติดยึดถูกใจไว้อยู่ในใจเป็นความจำคนไหนไปหลงติดความจำเลยว่าหลงติดสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นเราคนนั้นก็ยังไม่หมดสัญญาน่ะไม่หมดอุปทานในสัญญาน่ะสัญญาทูสัญญูปาธ า, านัคขันโท ได้ว่าสัญญูปาทานคกันโตยังไม่หมดในเรื่องของการติดยึดว่าสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาเสพติดอยู่กับรสชาติของการได้สัญญาเป็นเราเราได้เป็นสัญญาอาจจะลึกซึ้งหน่อยในภาษานี้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางธรรมะก็ขออภัยเพราะฉะนั้นผู้ใดสามารถที่จะมาศึกษาธรรมะนี้ก็ขอสรุปตรงนี้ไปนิดหนึ่งผ่า น, านไปก่อนยังไม่ลงลึกในป ร, ม, รมัตธรรม มาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นความจริงว่าของหลอกที่คนเราจมอยู่กับของหลอกเนี่ยโอ้โหมากกว่ามากในมนุษย์ในโลกโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เจอพุทธธรรมที่เป็นปรมัตา์พุทธธรรมที่เป็นโล ก, กุตธรรมแม้ชาวพุทธที่ไม่ได้รู้จักโล ก, กุตธรรมนั้นก็มากก็มากอยู่แล้วคนที่ได้ไม่เคย เ, เจอศาสนาพุทธไม่ได้ศึกษาถึงแนวลึกพวกนี้เลยเนี่ยไม่ได้ดูถูกเขาหลอกเขาก็ยังเข้าใจไม่ได้แล้ว เดาไม่ได้นะธรรมะพระพุทธเจ้าที่เดาไม่ได้เพราะมันละเอียดลึกซึ้งเกินไปที่จะเดาเดาไม่ได้นะอัตตาวจราไม่เป็นไปไม่ได้โดยการาคาดคะเนด้นเดาหรือตรรกศาสตร์ทั้งหลายอัตตาวจรามันคำพิราทุจาทุรนุโพฑาสันตาปนิตาอัตตาวจรานิปุนาบันเดตะเวทียา มันลึกซึ้งคำพิรามัมนเห็นตามได้ยากตรัสรู้ตามได้ยากแม้เป็นความสงบก็สงบพิเศษมากสั้นตาปณีตาสุขุมมากประนีละเอียดสุขุมอตกาวจราตา ก, กะไม่ใช่เรื่องของตากาจะสามารถรู้ได้เดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้ต้องเข้าถึงเองเป็นปัจจตังปณีตาละเอียดลึกซึ้งถึงขั้นนิพพานบัณฑิตจริงเท่านั้นถึงจะ ได้สัมผัสความจริงอันนี้ปฏิบัติมาเองเยจะเป็นปัจจตัง ว, ตวิธิตะโพวินอะยู่เพราะฉะนั้นธรรมาพระเจ้าเนี่ยอาตมาขอยืนยันว่ายังเหลือเชือ้ออันเป็นของแท้จริงปรมัติ์นี้อยู่เชิญมาศึกษามาพิสูจน์ได้แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดกับตนเองเลยจะเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นของดีนะ แล้วเราจะได้เป็นมนุษย์ที่จะได้ช่วยตนตนได้ก่อนตนช่วยตนก่อนไงเสร็จ แ, แล้วสิ่งที่ผู้ได้ธรรมะพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์ตนแล้วมันจะเป็นประโยชน์ผู้อื่นต่อโดยอัตโนมัติเลยประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านนี่เป็นอันเดียวกันพอเราหมดตัวตนหมดตัวเองเราจะเป็นผู้อื่นเลยจะเพื่อไม่เพื่อตัวเองมันจะเพื่อผู้อื่นทันทีเป็นสัยจะทำเลย นอกจากผู้ไดศึกษาไม่สมาธิเท่านั้นถ้าเป็นสมาธิแล้วมันจริงเลยมันจริงเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าผูใ้ใดยังเชื่อในพุทธธรรมพระพุทธเจ้ายังเชื่อปรมัตายังอยู่เอาเถอะศึกษาสำนักไหนที่เห็นว่า ส, สำนักนั้นสอนปรมตาที่ดีก็เชิญไม่มีปัญหาอะไรแต่มาไม่แย่งไม่แย่งสำนักไหนแต่ถ้าใครเห็นว่าเออน่าจะมาศึกษากาจะมาบ้างก็ดี อนุโมทนานก็ดีก็ยินดีด้วยที่จะมาศึกษาไม่ได้ไม่ได้รังเกียจเลยแต่ว่าไม่ได้ห้ามไม่ได้กั้นหรอกจะไปศึกษาสำนักไหนก็แล้วแต่มันอิสระเสรีภาพแต่ถ้าใครเห็นว่าดีก็มาสำนักดีก็เชิญมาพิสูจน์ได้มาเดินม า, ม า, มาศึกษาปฏิบัติเอาดีๆอาเซียอาตบาก็ขอรับรองว่าธรรมะพระพุทธเจ้ายังอยู่ยังอยู่และยังมีผล พิสูจน์ได้อากาลิโกยุคนี้ก็ยังพิสูจน์ถึงผลอรหัตผลได้ผู้ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยุ่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอระหันนี่เป็นคำตัดของพูะเจ้า ท, ที่ทรงยืนยันเอาไว้ไม่ใช่อัตมา พ, พูดเองเพราะจะตั้งใจศึกษาและปฏิบัติไปตามลำดับเริ่มต้นที้นหนส้นแปดสิ้นสิบก่อนเอาไปทีเมื่อเราได้แล้วการไม่มีตัวตนละตัวตนมันก็จะไปเป็น ผู้อื่ น, นังที่อาตมากล่าวมันจะไปช่วยผู้อื่นได้นี่คือการช่วยตนแล้วได้ช่วยท่านแล้วมันจะได้ไปช่วยประชาชนอื่นๆไปตามลําดับดังที่เราชาวโศกเป็นอยู่เนี่ยขออภัยไม่ได้อยากพูดนะมันคนเพ่งโทษหรือคนหาว่าเรานี่อวดอ้างตัวเองยกตัวยกตนมันมีอยู่จริงๆอาตมาก็เกรงใจนะแต่มันไม่รู้จะทำยังไงอาตมาจะไปอ้างกลุ่มไหนอาตมา ก, ก็ไม่กล้าไปรับรองเขาว่าขออภัยไม่ได้ไปลบหลู่หรอกเพราะอาตมาไม่รู้ไง ไม่รู้ว่าเขาจริงหรือเปล่าแต่เขาอาตมาอาตมามั่นใจมาที่อาตมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอาตมามั่นใจก็ต้องเลยต้องขอยกตัวอย่างกันนี้มันเรียกไม่ออกเท่านั้นอาตมาก็จําเป็นเพราะงานพวกเราเลยถึงพิสูจน์ตัวเองด้วยพิสูจน์ให้ประชาชนเขาเห็นด้วยพิสูจน์ยืนยันธรรมะพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมเพราะงะั้นขอยืนยันว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นธรรมะที่ ไม่ช่วยประชาชนบรรลุธรรมแล้วก็ห น, นีไปสนบอยู่ในปา่าเขาทํำขุดรู้อยู่เฮ้ยเอาต้องอย่างเอาผู้กองผู้กองปูง เ, ปเข็มทำไมต้องปูด้วยก็ไม่รู้ผู้กองหอยเข็มไม่ได้หรอ ไอ้คิดลึกบอกหอยเข็มก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ต้องไปปูปูเปอร์ ด, ด้วยแม่มันประหลาดนีะต้องปูกรปูเข็มก็ยังดีกับปูเน่าวะอ่า ผู้กองู้แกงบอกเฮ้ยเฮ้ยภาษาอีสานมาบอกว่ามันแสดงอาการเหลือใจมันเหลือใจแค่แต่เป็นสําเนียงสุ่มเสียงของความเหลือใจเฮ้ยมันเหลือใจภาษาอีสานนะภาษาภาคกลางเราจะว่าไงมันมันสุดทนมันสุดทนทะลักมันมันเหลือมันทนทะัก ใจมันเหลือมันทนทลักใจมันไม่รู้จะแสดงอะไรออกมันมแสดงออกทางซุ้มเสียงสมเนียงลีลาอะไรก็ว่าไปกลางนั้นมาศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้เป็นความจริงที่ปรากฏหลักธรรมพระพุทธเจ้าท่านยืนยันไว้เลยในในหลักธรรมหลักของศาสน า, าเลยว่ามันจะเป็นไปเพื่อพระผูชน น่าเป็นไปเพื่อสีดตัดประโยชน์พระหุชนพระหุชนะหิตายะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นไปเพื่อความสุขของประชานชนพระหุชนะสุขายะเป็นการรับใช้โลกโลกานุกรรมปายะเป็นไปเพื่อรับใช้โลกมันจะมีคุณลักษณะอันนี้จริงๆเลยน้อยหรือมากคุณอ่านไปเลยอ่านไปสังเกตไปเลย คนเสแสร้งสร้างภาพมันมีแต่คนจริงใจมันก็มีนะจ๊ะคนที่ใจจริงจริงใจมันก็มีจริงใจตามภูมิจริงใจตามภูมิบารมีเราไม่ได้บอกว่าเราใหญ่เลยเราก็ได้ไปตามฐานะของเราฐานานุฐานะตามภูมิตามบารมีไป มันจะแสดงออกจริงมันมีจริงอย่างชาวโสศรานี่มันจริงมันถึงเวลาการละมันก็เป็นไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรืออัตมาขอบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าอัตมาจะไม่ตั้งเจตนาอยากทําอะไรฟังความนี้อัตมาไม่พยายามเป็นคนตั้งเจตนาทำอะไรโดยเฉพาะทํากับสังคมทํากับผู้อื่นทํากับผู้อื่น อาตมาจะไม่ตั้งใจไม่พยายามเจตนาทำกับผู้อื่นจนกว่าผู้อื่นจะเรียกร้องหรือผู้อื่นมีสัญญาณให้อาตมาไปทำเป็นสัญญาณเรียกร้องเชื้อเชิญหรือบางทีบังคับให้อาตมาไปทำอาตมาจะไปทำอันนี้บอกความจริงเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวอยู่คำหนึ่ง กล่าวมาแต่ต้นจนถึงวันนี้คืออาตมาเป็นมนุษย์ no planning no project พวกชาวโศกเป็นพยานได้ว่าอาตมาเป็นคนเช่นนั้นจริงๆอาตมาไม่เป็นคนวางแผนไม่เป็นคนมีโครงการ no planning no project แต่อาตมาทำตามเหตุปัจจัยที่มาถึงอาตมาทำงานตังอย่างนั้นมาตลอด โดยไม่ตั้งเจตนาตัวเองว่าฉันต้องการจะทําอันนี้อันนี้อันนี้กับประชาชนไม่ตั้งแต่มันมีให้ตมาทําเหลือเฟือไม่ต้องมกจ ก, อจ ก, ก, จ ก, กเอาจงมกจงมกเอามกจกหรือจงมกเหลือเฟือเขานามสกุลอะไรมกจกหรือจงมกฮะอาตมาฟังไม่ออกเลยว่าจงมกหรือมกจกเอาละเดี๋ยวขเขา านาำส ก, กุเลเหลือเฟือนายเหลือเฟือ ก, ก็น้ำสกุลมกจกหรือจกมกอะไรเนี่ยอาตมาไม่จําเป็นที่จะตองมันเหลือเฟือจริงๆอาตมามีมากพอที่ทํางาน <_ V> ทุกวันนี้ก็เมื่อยมีเวลาแบ่งงานทํางานไม่บาดไม่ไหวเราทํางานกับผู้อื่นโดยไม่ได้ไปเอาเงินเอาทองไม่ได้เอาเอาอลัสเอาเปรียบเอาไมไ่เอาอะไรของเขาเราทําทงานให้เขาเนี่ยโดยบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นการทํางานที่สิ่งที่ดีด้วยอาตมาไม่เคยกลัวเลยไม่กลัวตกงาน นะอ่ะอาจามาไม่เคยกลัวตกงานนะนะอ่นะอาจมาก็ทําอย่างเต็มไม้เต็มมือไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยอาจามาได้ตั้งสูตรเอาไว้แล้วว่าเป็นงานดูไปอย่าไปเปลี่ยนตัวปออามานะงานดูไปใช้ภาษาอังกให้มันเททนิดนึงงาน Go on and see out ไปให้ทะลุซอยเลยไปให้ทะลุสุดยอดเลยทาไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆทำไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไม่ใช่ดูเล่นนะดูพิจรารณาตรวจสอบแล้วก็ลงบัญชีให้ดีให้ถูกต้องแล้วก็ให้ได้ชัดเจนมีอัตราการก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างถูกต้องทำไปเรื่อยๆอเป็นจากนั้น เพราะงั้นงานนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทางคำว่าการเมืองก็ตามคำว่าธรรมะก็ตามอาตมาจะพาทำสงครามกับสังคมแลรู้เปล่าว่าตามาจะทางานทำสงครามแบบไหน สงครามที่อาจจะมาจะพาทำคือธรรมาธรรมะสงครามใครเคยดูหนังเรื่องพรตยุทธเรื่องรามเกียรติ์บ้างนั่นแหละเขายิงลูกศรที่มีพยายักษพยานาพยายอะไรใหญ่มาแล้วก็ยิงลูกศรดอกไม้ไป นี่คือเป็นศิลปะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเสื่อให้เห็นว่าเราไม่เป็นคนที่จะไปทำร้ายใครใครมาทำร้ายเราเราก็ตอบโต้ด้วยใครคว้างหินมาเราเอาหินมาถมบ่อมาถมน้ำคาน้ำเน่าใครคว้างขี้มาเราเอามาทำปุ๋ย เราทำอย่างนั้นจริงๆพยายามสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์พยายามคมลึกแม่นประเด็ น, นทำให้ได้นในการมาทำงานนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราเจตนาดีเรามาที่นี่เราก็ไม่ไปรุกรานใครแล้วก็ขอใช้บ้างในสาธารณะร่วมกัน และสาธารณะที่นี่เราก็ไม่ได้มาทําเพื่อที่จะได้ลาบได้ยศได้สรนเสริญเหนื่อยนะแต่ขยันทําไปเถอะภาพเพียนไปผัดเวียนเปลี่ยนกันใครมาร่วมม้ร่วมมือก็ทําไปไม่ได้มาทําเพื่ออามิตรอะไรเลยมาทําให้ประโยชน์แก่ประชาชนแท้จริงจริงไม่จริงคุณก็มาตรวจสอบพิสูจน์ได้นะเราก็จะทําเช่นนี้ เพราะฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องของการเมืองที่เขาจะรุนแรงแเราก็จะพยายามช่วยเขาบรรเทาให้เขาลดให้เขาย่อนเรื่องของการรุนแรงเรื่องของสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันลดถอยให้ได้หน้าอะไ ร, ะะไรต่างๆนานาก็ช่วยกันทำนะเพราะฉะนั้นอาตมายัางเชื่อเชื่อนะอาตมาเชื่อเชื่อว่าประเทศไทยเรามีพระสยามเทวาธิราช และพระสยามเทวาธิราชของเรานี้อาตมาจะบอกความลับให้ท่านเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระสยามเทวาธิราชของไทยเนี่ยประเทศไทยตั้งขึ้นมาน้สยามสยามประเทศที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยขึ้นมาหรือตั้งประเทศสยามขึ้นมาศาสนาพุทธมาแต่กำเนิดเลยมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยัง มีประชาชนนับถือพุทธอยู่ถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอยู่ถึงทุกวันนี้เมืองไทยเนี่ยยิ่งแต่ก่อนนี้ยิ่งร้อยเอร์เซ็นตะเดี๋ยวนี้ยังมีาศาสนาอื่นเข้ามาบ้างก็ยังเหลือเก้าสิบห้าอร์เซนยิ่งสมัยยุคโบราณนนะ่ะพุทธเทียวเพียวเลยร้อยเอร์ซนเมืองไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นพระสยามเทวาธิราชถ้าจะเป็นใครอ่ะ ใช่ไหมก็ต้องพุทธพุทธแท้ๆเพราะฉะนั้นอาตมาก็ยังเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชจะเข้าข้างเราอยู่ศาสนาคริสต์สอนว่าพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตนเองก่อนถูกต้องแล้วครับ พระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตนเองก่อนย้ำอีกทีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยตัวเองไม่งั้นพระเจ้าไม่ช่วยในศาสน า, าคิดช่วยในศาสน า, าคิดสอนแต่ศาสน า, าพุทธนั้นสอนอยู่ชัดๆอยู่แล้วว่าต้องพึ่งตนนอกจากตนจกพึ่งใครได้อัตหิอัตโนนาท้อ โกินาทบปรโรติยาท่านตรอดไว้ชัดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาพัฒนาตนเองให้ตนเองนี่แหละลดสิ่งที่มันเกาะเกี่ยวลดสิ่งที่มันเป็นกิเลสสิ่งที่มันยึดถือสิ่งที่มันติดไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกเริ่มต้นตั้งแต่ต้นๆเลยศีลงก้อนหนึ่งติดเนื้อสัตว์มาลองดูสิจะรู้ ปกิเลตมันเป็นยังไงแเราลดละล่างดูที่เนี่ยลองปฏิบัติโดยสมถะวิธีวิปัสนาวิธีเราก็จะรู้ว่าหรือติดรถติดรถรถทางตารถทางหูจมูกดิ้นกายก็นี่แหละมันต้องมาลดดูตั้งตั้งศีลหรือตั้งข้อกำหนดหรือตั้งสัจจะตั้งกรรมฐานอะไรก็ได้เรียกกรรมฐานแล้วก็เราปฏิบัติให้จริง แล้วก็อ่านจิตใจอ่านพฤติกรรมข้างนอกข้างในต้องมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะอ่านรู้กายวาจาใจที่มันจะเกิดปฏิสัมพัทธ์มันจะเกิดปฏิสัมพัทธ์มันจะเกิด Relation แล้วเราจะสามารถอ่านได้ดีได้เร็วถึงขั้น Continuum คือความเชื่อมต่ออยู่ตั้งแต่เริ่มต้น Connection Relation Continuum เราจะเกิดความเห็นความเชื่อมต่อเชื่อมโยงที่มันหยาบมาจนกระทั่งถึงละเอียดถึงถึงขั้นต่อเชื่อมเป็นสันตติหรือเป็นปัจจุบันธรรมขณะนี้เชื่อมอยู่นี่แม้แต่ในในยะของละเอียดละอถึงจิตมันจะอ่านได้อ่านสิ่งที่เชื่อมต่ออยู่และมีความเกิดความดับอยู่ที่จิตขณะนั้นมาอ่านมาศึกษา จะัจะอ่านออกเป็นลักษณะรูปลักษณะรูปอันนี้ในปรมัตขออภัยนขอนี่แหละมันจะจบเวลาแล้วจะถึงสองทุ่มแล้วที่จริงอาตมาถูกกินหัวไปสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีนะีน่ถูกกินหัวไปยี่สิบนาทีเนี่ยอาตมาจะจบสองทุ่มเลยมั้งเไหมเนี่ย อะอะเขาตมมาุสิบห้าเลยเชโยอ่าแต่แถมไม่สิบห้าหนาทีอ่าในแถมไม่สิบ้านาทีเป็นสองทุ่มสิบห้านะในขออภัยนําพูดถึงปรัชญาธรรมนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่มีฐานผู้ยังไม่มีฐานก็ต้องขออภัยฟังฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยสื่อสามันจะเข้าใจ ในรูปยี่สบแปดในท่านมีอุปาทายรูปข้อสุดท้ายเรียกว่าลักษณะรูปมีสีมีสี่สชนิดชนิดที่หนึ่งเรียกวอุปจัญญาชนิดที่สองเรียกว่าสันตติสันต ต, น ต, ตินี่แหละคือคอนตินียรัมชนิดที่สมคือชรตาชนิดที่สี่คืออนิจจตาอ น, นิจจังนี่แหละสี่สภาวะนี่เราจะอ่านอาการพวกนี้ออก จะอ่านออกอาการมันอาการทางเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวทางกายวาจาใจรวมกันเราเรียกว่ากายวิญญาตอาการพวกนี้มันซื้อให้ออกเป็นอาการนี้เราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้แหละคือเรลัติส์รลเลชันอย่างนี้นะและสัพพันธ์อยู่กับอันนี้เชื่อมต่อกับเป็นคอนเน็ชันอยู่กับอันนี้อันนี้นี่เกี่ยวข้องกับรูปลดเกลี่ยเสียงสะพานเกี่ยวข้องกับอยู่ตัวบุคคลดินน้ำไฟลมข้างนอกเกี่ยวข้องอยู่หมดคอนเน็อยู่ต่างต่างเลย เสร็จแล้วก็เชื่อมเข้ามาลึกเข้ามาเป็นกายในกายเรียกว่า Relation เรือ relative เสร็จแล้ว ก, ก็ละเอียดไปถึงขั้นนา ม, มาทําเลย Contin continuumcontinu เป็นปัจจุบันเลยยังเห็นละเอียดละออยังมีความเชื่อมต่ออยู่ยังเลกละเอียดเป็นอารูปแล้วก็ยังต่อเนื่องอยู่ไอน์สไตน์คนพบทางฟิสิกส์ละเอียดถึงขั้น space and time of continuum นี่คือความตัดสรุของไอน์สไตน์แต่เป็นทางสัสารแต่ของพุทธเจ้านั้น p เป e ก็คือเอกภพ And ท i m e ก็คือกรรมนะเพราะฉะนั้นกรรมกับกาละของพระพุทธเจ้านีน้ที่สุดกรรมกับกาละอาตจะมาหยิบมายืนยันส่วนของ สารของเข า, Space and Time. าลักษณะรูปสี่อย่างนั้นอุปจยะหมายความว่าสภาพที่เกิดขึ้นอย่างเจริญมันตรงกันข้ามกับคำ ว, ว่า อ, อาปัจยะอออ่างปอปลาจอจานยอยักอัปปัจยะแปลว่าไม่สะสม หมดหมดหม ด, หมดเกลี้ยงแล้วไม่เพิ่อมอะไรขึ้นอีกเลยเรียกว่าอภิจ ย, ยะมีอยู่ก็ต้องเอาออกให้หมดไม่สะสมเรียกว่าอภิญ ย, ยะส่วนอุปัจญญาอสันอุปอปราจอจานยอยักษ์มันตรงข้ามกันมันเจริญแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่จะให้มันเจริญขึ้ น, นคืออะไรคือกุศ ล, ลธรรมคือสิ่งที่เป็นกุศลอย่างกุศลให้ถึงพร้อมต้องชัดเจนในกุศลกุศลคืออย่างไรคุณจะต้องอ่านกุศลออกตั้งแต่ หยาบหรืออักบุษลคุณก็ต้องอ่านออกตั้งแต่หยาบทึ่ประกอบไปเป็นด้วยวิญญัตรูปมีรูปที่ประกอบไปด้วยทั้งหยาไปจกนกระทั่งกลางละเอียดจนถึงแม้แต่แค่วัจีวิญญัตรแค่แสดงออกทางวาจาเท่านั้นอะไรเป็นทุจริตวาจาอะไรเป็นทุจริตกรรมกรรมสามรวบเรื่องหมดเลยกายว่าไปกรรมันตะเขาก็จะต้องรู้อาการเหล่านั้นมามาเกิดองประชุมของ สิ่งที่หยาบแล้วชั่วแล้วหรือชั่วขนาดบางเรียกว่าในวิการรูปขนาดลหัหุตาบางเบาลงมาบางเบาลงมามีดีกรีน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่เราก็จะต้องเรียนรู้สิ่งที่ถูกรู้รูปเรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้สุขถูกรู้ได้วยญานปัญญาเราตากระทบรูป ก, ก็รู้ แล้วยานปัญญารู้ละเอียดในสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นอุปัจจยญาเป็นสิ่งที่เกิดเจริญขึ้นก็รู้ตั้งแต่ละเอียดไปจนตั้งถึงหยาบเป็นรูปธรรมข้างนอกเลยเออันนี้เจริญแล้วเช่นเรากำลังมาทำงานอยู่นี่มีองค์ประกอบของดินน้ําไฟลมเยอะเลยเกําลังทำกรรมกิริยาต่างๆเป็นกุศ ล, ลกรรมมันตะหรือเป็นสมากกรรมมันตะ เป็นกรรมการงานการกระทำที่เป็นประโยชน์เป็นเป็นสิ่งเป็สิเป็นิเป็นกุศลเป็นองค์ของกายวิญญัตเป็นอาการที่ประชุมกันรวมกันแล้วเกิดสภาพที่ดูได้ว่านี่เป็นงานหรือเป็นการกระทำที่เป็นกุศลนี่ชาวโซาเรมาชุมนุมกันแล้วก็ทางานกันทุกๆลีลาทุกๆพฤติกรรมอยู่เนี่ยร่วมกันทาอยู่เนี่ย เป็นสมารกรรมมันตะไม่ใช่อาชีพเลี้ยงตนหรอกมาเสียสละบด้วยซ้ําไม่ใช่อาชีพเลี้ยงตนแต่ก็เป็นงานที่ชีว่าเรายังทําอยู่เท่านั้นเองไม่ได้มากรอบโกยไม่ได้มาเอาอะไรเลี้ยงตนมิเตมาจ่ายอาชีพกีฬาใช้ไปเป็นวันๆเท่านั้นเองสองสันตติหนึ่งอุปจิจญาสองสันตติสามชราตาสีอนิจจตาสันตติคือคอนเทนิอัม คือสิ่งที่เชื่อมโยงต่ออยู่ที่พูดไปคร่าวๆแล้วเมื่อกี้ว่ามันอย่างละเอียดไปจนสั้นถึงขั้นปัจจุบั น, นธรรมละเอียดนะของของไอน์สไตน์ถึงขั้นคอน t i น u u m มของสเปซแอน d ์ไทม์ละเอียดแล้วนะสเปซถ้าคุณไม่รู้มันจะกลายเป็นเทหวัตถุแท่งทึบสเปซคืออวกาศทั้งหมดเลยในเอกภพนี้อวกาศทั้งหมดรวมเอกภพนี้เป็นอวกาศทั้งหมดที่บรรจุ ทุกอย่างอยู่ในนั้นบรรจุทุกอย่างเลยเนบูลากาล็กซี่ดวงดาวอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยถ้ามันเป็น black hole ถ้ามันเป็นที่มืดคุณก็ไปเทหาวัตถุแท่งทึบคุณก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าคุณพร้อมไปด้วยจักขุแสงสว่างหรือจักขุ ปัญญาญาณวิชาแสงสว่างตามของพุทธเจ้าเนี่ยมีดวงตาที่มองเห็นแจ้งไม่ใช่มืดมืดดำๆคขํามงมง ม, งมเห็นแจ้งด้วยสิ่งที่สัมผัสแต่ต้องชัดเจนทุกอย่างคุณจะรู้เลยว่าในเอกภพมีอะไรบ้างยิ่งใหญ่ยิ่งเห็นง่ายแม้ตาทิพย์ละเอียดขึ้นก็จะเห็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะรู้แม้นอกแม้น Space แ n d Time ของไอน์ส e ต์แต่ของพูะเจ้านั้นกรรมและกาละย่อ p เป e มาเป็นการกระทำไม่เป็นกรรมมันตัเพราะกรรมกริยาทุกอย่างก็อ่านออกเลยมีความเชื่อมต่อเรียกว่าสันตติแล้วก็รู้จักความเสื่อมอุปจยะเป็นความเจริญชาตาเป็นความเสื่อม เพราะฉะนั้นจะรู้ในจุดที่มันเสื่อมแม้แต่ในยะที่ละเอียดรู้ว่าอันนึงเจริญนอันนึงจะเหื่อมเสื่อมเราไม่เอาอะไรจะให้เสื่อมเราก็รู้ว่าใหอันนั้นให้มันเสื่อมอะไรให้จเจริญเอาอันนั้นให้จเจริญจงกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่จะเสื่อมนั้นเราเอาออกจากจิตหมดแล้วไม่มีเลยสะอาดบริสุทธิ์คนนี้ก็ไม่กระทำสิ่งที่เสื่อมสิ่งที่บาปสิ่งที่ผิดอีก มีแต่ยังกุศลให้ถึงพร้อมแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ในกฎสูงสุดคืออนิจจตาไม่มีอะไรเที่ยงสิ่งเที่ยงมีสิ่งเดียวเท่านั้นในมหาจักรวาลและมนุษย์ชาติจิตวิญญาณ น, นี้สิ่งเที่ยงมีสิ่งเดียวคือนิพพานนอกจากนิพพานไม่มีอะไรเที่ยงเลย นิพพานเที่ยงแท้นิจจังยั่งยืนทุวังตลอด forever สัจตังเอาวิปรินามะธรรมังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสั่งนิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อวิปริณามะธรรมังไม่แปรปลวนอสั่งนิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสั่งกุปปงังตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นไม่กลับกําเริบ อซังกุปังไม่กลับกำเริบอีกนี่คือคุณลักษณะอันสุดท้ายเรียกว่าลักขณะรูปของสัจธรรมพระพุทธเจ้าผลงานผู้ที่กําหนดรู้สิ่งที่จะอาศัยใช้ก็กําหนดรู้ใช้เรียกว่าสัญญาก็อาศัยใช้เป็นสมาทานเท่านั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทาน ไม่ยึดมั่นถือมันเป็นอุปทานยึดถือใช้สอยในวาสมาทานพอยึดถือเสร็จแล้วใช้สอยเสร็จปล่อยวางจบศูนย์มีอะไรก็มีได้เสร็จแล้วหมดกิจวางไม่มีไม่เรือไม่เป็นไม่มีจบเรียกว่าเป็นผู้เป็นอมตะบุคคลไม่เกิดไม่ตายหรือเกิดก็ได้ตายก็ได้ทันทีเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่าอตามัมมยตา นี่สูงสุดของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถรู้ลักขณะสี่นี้จบแล้วใครสามารถที่จะอยู่กับอุปจัยยะอยู่กับสันตติรู้อยู่กับชรตาและอนิจจตาผู้นั้นสูงสุดนะเนี่ย จ, จะมาเข้าไปลึกในเรื่องของปรมัตญธรรมบ้างนะอาก็ขอสรุป ลงท้ายด้วยเราจะมาทำงานนี้โดยหลักดูไปหลักดูไปหรือ go on and see out ทำไปตามเหตุปัจจัยที่ควรที่คิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมศาสตร์ เราก็จะพยายามช่วยกันดูแลช่วยกันพยายามปรับปรุงสร้างสรร์อาจจะเป็นงานที่มันก็ทำไงได้เราไม่มีสำนักงานที่จะทำอย่างเป็นส่วนตัวส่วนตนแต่เราทําเป็นส่วนสาธารณะทุกคนมีสิทธิเข้ามาร่วมได้ด้วยความปรารถนาดีร่วมกันไม่เข้ามารวน แต่เข้ามาร่วมมือกันอย่างดีเรายินดีต้อนรับทุกคนต้อนรับทุกสีต้อนรับทุกสีไม่ว่าจะสีไหนขอให้มีเจตนาดีจริงใจมาเถอะเราไม่ต้องการการทะเลาะวิวาทเราไม่ต้องการการทำรายกันข้อสำคัญก็คือเราไม่ต้องการที่จะโง่ขอย้ำนะเราไม่ต้องการที่จะโง่ เราอยากให้ทุกคนมาฉลาดกันมาศึกษาสิ่งที่ให้ฉลาดจริงๆให้รู้เท่าทันสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันดีงามคืออะไรกันแน่แท้แต่ทำดีให้ได้อย่าทำเลยชั่วบาปแม่น้อยอย่าทำเสียเลยนี่สมเด็จพ่ออาตมาสอนคุณรู้ไหมใครคำวิจิสมเด็จพ่ออาตมารู้ม ไม่รู้หรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่ออาตมาเนี่คือพระพุทธเจ้าก็อาตมาเป็นพระสงฆ์อะ่ะก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสมเด็จพ่อไม่ใช่ไปเลือกคิดตูอะไรนี่เรื่องจริงพ่อจริงๆพ่ อ, อยังสุดยอดเคารพตับถือบูชาและปฏิบัติตามจริงๆด้วยภาคเพียรให้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยทาให้ตรงตามที่คาสอนพระพุทธเจ้าเลย เพราะงั้นเราจะปรารถนาดีต่อคนทุกคนในที่นี้อาตมาก็ถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นช่วงระยะที่ดีที่มีเหตุปัจจัยบังคับถือว่าบังคับนะเพราะอาตมาไม่ได้อยากมาทำเลยคุณเชื่อไหมว่าถ้าอาตมาทำอยู่ที่สันติอโศกทำอยู่ที่ราชธานีโอโศกอาตมาทำสบายกว่านี้เชื่อไหม อ็ไม่เข้าใจซะก็ให้มันโง่ออสิอาโถมันทําที่นี่นะยากจะตายต้องเดินทางต้องลําบากลําบนอะไรก็ไม่เรียบร้อยอะไรก็ต้องไม่แมมมันไม่ใช่ของที่เราอยู่ใช้สอย ส, สนานาญันมันเคยชินอะไรเนี่ยเนาะมันอะไรทั้งนั้นเลยกรุกลากจะม า, าทําอะไรเป็นเป็นที่ปักหลักแน่นอนจริ้มจังก็ไม่ได้เธอก็ทําลํารองอย่างนั้นแหะแต่เราก็ถือว่ามันเป็นส่วนดีแบบหนึ่ง เพราะงั้นมันเราก็มองเห็นส่วนดีแบบหนึง่งเพราะงั้นก็อดทนเอาหนักหน่อยลำบากหน่อยก็ขอถือโอกาสนี้ประกาศไปถึงลูกลูกห ล, กลานหลา น, ลานชาวโสกเอ้ยอที่นี่ก็ร้องดับสิและอยู่ทางบ้านเนี่ยได้ยินกันบ้างไหมเล่าขานรับบ้างสิอ่า มาช่วยหลวงปู่มาช่วยหลวงพ่อบ้าออกมาออกมาอ่าออกมาช่วยกันมาช่วยกันมันได้ฝึกขัดเราได้ทำประโยชน์นเราได้ฝึกฝนเราได้ทำประโยชน์อย่างแท้จริงอันนี้ลูกหลานชาวโมไม่ต้องพูดมากเข้าใจอยู่แล้วอาตมาพาทำกันอยู่แล้ว นะบางั้นก็บอกให้รู้ถึงว่าโอกาสนี้คราวนี้เนี่ยเราจะมาช่วยกันแบ่งเบาทํางานเพื่อประโยชน์ประชาชนประเทศชาติมันเป็นโอกาสอันงามมันเป็นโอกาสอันดีมากนะเพราะงั้นก็พยายามบอกกล่าวไปถึงผู้ที่อยู่ที่ไหนบอกกันใครได้ยินแล้วก็ช่วยชวยบอกต่อๆกันไปด้วยนะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวโศกแล้ว เราอยากจะมาศึกษาตางชาวโสดมาจินดีต้อนรับทุกคนนะเข้ามาแล้วก็มาตามตามล ด, ดับไปตามระบบตามอะไรของเราก็มีหลักเกณฑ์ของชาวโสกเราอย่างพื้นฐานที่สุดนี่ก็คือถ้าเข้ามาอยู่ในนี้แล้วขอให้สังบรสํารวมหนึ่งไม่มีอบา ย, ยมุกสองถือศีลห้าเป็นอย่างต่ำใครจะถือศีลสูงกว่า น, นั้นได้ก็อนุโมทนา เช่น5พื้นฐานง่ายๆนี่แหละไม่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรานะแล้วก็พอเดียวมีเดียวหรือเรื่องของรูปรถกินเสียงสะผัดก็อย่าจัดจ้านเกินไปสิ่งที่จัดจ้านก็กำหนดของตัวเองให้รู้ว่านี่รูปจัดเกินไปรถจัดเกินไปเสียงจัดเกินไปลูปรถกินเสียงสะัดมันจัดเกินลดลงนะ หรือยึดติดอัตตาตัวเองเอาใจใจตัวก็ลดลงกำหนดเอาเองหนึ่งสี่ห้าพื้นฐานสองไม่กินเนื้อสัตว์ 3. ามไม่มีอบายามุขเพราะจะเห็นได้ไปคนในสมคมอโศกที่อบายามุขไม่มีดงอ ะ, อะไรจะระจุจั น, จนอย่างโลกโลกมันก็พอมีทํานาจะมีรื่นเริมบันเทิงไหมมี พอสมควรสินห้าสินห้าสินแปดสินแปดก็ทัง้งวอลสาหรับสินห้านั้นก็ให้ทําอยู่ส่วนสินแปก็ต้องมีสติ อ, อย่างคนศินแปดเขามีขึ้นมาร้องเพลงในนี้เขามีศินแปดเาร้องเพลงมีแต่ว่าเขาไม่ได้ร้องอย่างเรียกว่าโอ้โหสะใจมันดีอร่อยดีร้องแล้วโอ้โหอย่งมันไม่ เขาชินแปดแต่เขามาร้องเพลงด้วยสติแล้วก็การสำรวมรู้ตัวมีสมาทานไอ้ที่ชนห้าเขาต้องอนุโลมเขาเขายังแหมยังมันยังอร่อยอยู่บ้างเป็นรสชาติอยู่บ้างแต่ไม่จัดจ้านนะแต่ไม่จัดจ้านเพราะฉะนั้นแต่งตัวก็ได้สังเกตได้เลยนําขึ้นเวทีนี้ท่านเด็กหรือผู้ใหญ่หรือหนุ่มสาวก็ตามชาวโส่แล้วให้แต่งตัวให้ตายยังไงไม่ทาหน้าทาปาก สังเกตได้เลยพ่อโสจะแต่งตัวยังไงแต่ไม่ชับววบฉวว่บบบหรอกไม่ชับววบชวว่บบาบอาจจะแหมดูแหมไปหาสวยๆ ง, ง, งามๆรู้ๆระดาบอะไรมาแต่งบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปโอ้โหแบรนด์เนมอะไรมาไม่เอาไม่ถึงขั้นนั้น <c oughs> นะพ่อเจนนังก็จะเป็นไปบ้างอ่าเป็นไปบ้างพอสมควร แต่ก็อยู่ในโกอยู่ในเกณฑ์ที่เขารู้พวกนี้เขาไม่อะตมาบอกไม่เอานองน้าเกินขนาดนี้เอาแค่นี้พอนะและเขาก็จะทํากันไปตามเกณฑ์นี้นี่ก็เป็นการสันทนาการพอสมควรนะอนุโลมปฏิโลมกันไปนะเพราะฉะนั้นในการฝึกฝนนี้มันมีหลายขั้นหลายตอนที่เราจะต้องเข้ามาศึกษาฝึกฝนแล้วต้องอ่านใจให้ได้สําคัญรูปนอกก็ด้วย ใจก็สาคัญแล้วต้องอ่านใจให้เป็นลดละกิเลสในใจให้เป็นในขณะลืมตาเพราะฉะนั้นฌานของชาวโสดุ์ฌานของพระพุทธเจ้านั้นฌานลืมตาสมาธิลืมตาไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสมาธิอย่างนั้นอย่างนั้นก็ทำได้แต่มันไม่ครบมันไม่กว้างมันไม่สมบูรณ์มันได้แต่อยู่ในผวังอยู่ในภพมันแคบและมันเป็นของ แห้งมันไม่ใช่ของสดนะมันจะบอกว่ากามการมาคุณห้าตาก็ปิดหูก็ปิดจมูกนิ้นกายปิดแล้วคุณจะไปการมาคุณห้าได้อะไรล่ะคุณว่าการไม่มันได้แต่ของแห้งเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าจะาจะศึกษาภายในเป็นรูปเป็นรูปประพบดูปาวจรอรูปราวจรก็ศึกษามันยังมีราคะรูปราคะรูปราคะมานาะอุตจอะไรได้ เรียนรู้สัญญาต่างๆได้แต่ในสิ่งที่ลืมตาเนี่ยเราต้องเรียนรู้อ่า น, นี้แหละยากอันนี้ละมันหนักอันนี้ละมันเล่นงานเราทุกวันนี้นี่รำบากระนบนอยู่อันนี้แหละเยอะติกตาหูจมูกริ้นกายกระทบทั้งรูปดินน้าไฟลมนี่แหละหรือตัวตนบุคคลเราเขานี่แหละหนักมันมาเรียนรู้กิเลสอันนี้ไปในตัวเราก็จะได้รู้ทั้งข้างนอกข้างในสมบูรณ์ไปตามลําดับลาดลุเหมือนฝั่งทะเลอ่า นี่คือคำสอนพระเจ้าจะมีเบื้องต้นทั้งกลางมั่นปลายอย่างดีอย่างงามนะมาตั้งใจเรียนรู้นะคิดว่าวันนี้อจะมาได้ใช้เวลาได้บรรยายสิ่งที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราเมื่อได้แล้วก็เอาไปเรียบเรียงแล้วก็เอาไปจัดสรรให้พอมองพอดีกับตนเองและปฏิบัติประพฤติไม่ต้องตะกละ เราทําได้ขนาดนี้เอาแค่ขนาดนี้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติให้ได้มกักได้ผลไปเรื่อยๆแล้วค่อยปเพิ่มทวีเองอยจะตะ ก, กละถ้าตกกะกะแล้วเดี๋ยวจะเข็ดอย่าอวดดีหมาฉันจะต้องหมาไฟแรงเอาอเต็มที่ระวังเข็ดเข็ดแล้วเราไม่เอาเลยนะในนี้จะยุ่งเลยเสียเวลาค่อยๆไปตามเบาก่อนไม่เป็นไรน้อยก่อนไม่เป็นไรแล้วขึ้นตามขั้นตามขั้นตามขั้ น, นแล้วเราจะเดินไปงามงามในเบืองต้นลาดลุ่มย่างฝั่งทะเล เอาละตลอดวันนี้อาตมาก็ตามนาฬิกาขออ้ออาตมานาฬิกาคนอื่นจะ20นาฬิกา15นาทีตรงหรือไม่ไม่รู้แต่ของอาตมาตรงเป๊ะก็ขอเจริญธรรมขอให้ประสบความสำเร็จทั้งธรรมและการเมืองทุกคนเจริญธรรม